เรินพรท่านสาุชนทุกทบบริษัทผู้ฝ่ายทางทุกทุกท่านวันนี้เราก็ได้มาพบกันอีกครั้งเพื่อสนทนาธรรมทรา ท, ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติด้านทานสีนภาวนาใครที่ไม่วามสนใจก็ขอเชิญเข้ามาร่วมกันสนทนากันได้วันนี้ท่านแรกก็คือจ้าแม่กับเจ้ที่ กลางน้ารัสการท้องดังครับอ่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้จตีจะมาท่องอาการ32ครับโอเคทั้งคู่จำแว่ไม่ท่องด้วยเลดี๋ยวให้จตีท่องก่อนไม่ก็ให้ตีโถ่ผมผมคนผมคนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกยื่ในกระดูกม้าหัวใจตับผังผืดไตปอดเส้น ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยอะในสมองสีสับน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำแข็อน้ำน้ำมันข้นน้ำตาละมันเหลืองน้ำลายน้ำมู่น้ำไข่ข้นน้ำมูดนะคร้ำมูดน้ำ น้ำมูนน้ำไข่ข้นน้ำมูนน้ำตาดน้ำลายน้ำน้ำมันเหลียวน้ำตาลน้ันน้ำมันข้นน้ำมันข้นน้ำเหลือน้ำเลือดน้ำเหนืองน้ำเสฉลดน้ำดีเยื่อในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่กอดไตผังถืดตับหัวใจ ม้ามีาในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเด็บขนผมอ่านึเห็นภาพไหมเห็นภาพของอาการเหล่านี้ไหมยังครับยังไม่เห็นนะอยากจะเห็นไหมนิดถนึงครับนิดนึ่งเลยอาจารย์แม่ต่อครับผมขนเล็บ ฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเชี้ยในกระดูกม้ามหัวใจตับทังผื่ไตไตปอดใส้ใหญ่ใส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเชี้ยในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันคข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไข่ข้อน้ำมูด น้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีเที่ยในสมองจีชะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืดตับหัวใจม้ามเที่ยในกระดูกกระดูกเอ็นหนังฟันเล็บหนังหนังฟันเล็บของ เนี้ยหนังความและคนของคนอเนี่ยเนี่ยคือร่างกายของเราเข้าใจไหมไม่ใช่ตัวแชทไม่ไม่ใช่ตัวธรรมะไม่ใช่ตัวแชทที่ตัวที่ท่อชื่อนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้ครับผู้ผู้ที่ท่อนี้อยู่อยู่ในโลกที่เป็นดวงวิญญาณเป็น invisible man เข้าใจไหม ผอแจ๊คแจครับเพ็นแต่มามายึดร่างกายนี้เป็นเป็นเหมือนตัวแทนมาแทนที่จะไปทำอะไรให้กับชาแม่กัดยจทีอ๋ครับ uh huh. แต่ร่างกายนี้ต่อไปก็ต้องอแก่ไม่แก่ครับ uh huh. เจ็บไม่เจ็บ เองเจ็บไข้อะ้ป่วยหรือเปล่าต้องเจ็บครับต้องเจ็บถ้ตเองตายไหมต้องตายค่ะตายแล้วกลายเป็นอะไรไหมนยางค่ะกลายเป็นดินไงใช่ม่ครับเอาไปเผาเหลือเหลืออะไรเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ขี้เถ้าใช่ไหใช่ค่ะนี่คือร่างกายนะ ไม่ใช่ตัวจแม่ไม่ใช่ตัวแจตี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจบันไม่ต้องระหวานกลัววันหนึ่งเดียวเขต้องปล่อยให้ร่างกายนี้ไปกลับคืนสู่ธรรมชาติของเขาเขาไปสู่เขาทํามาจากอะไรเลยดื่มน้ำลงไฟดื่มดื่มน้ำลงไมาประสมกันแล้วก็กายเป็นอากายไดย การช้ำสิบสองครับแล้วต่อไปก็จะแก่แล้วก็จเจ็บแล้วก็จายใช่ไหมใช่ค่ะครับตายแไปทําเลยก็ไปผ เ, าเาไปผาค่ะ <c oughs> เาผาล้วไปฟังใช่หมใช่คครับก็กลายเป็นดนเผาก็กลายเป็นดิเท่าเหมือนกันครับครับนี่คือเรื่องตายของเราทุกคนเปนอย่างนี้ ไม่ใช่ตัวเราของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดอยา่อยาไปถือว่าเป็นของเราก<ะ>ัวไหมเนี่ยที่ที่พูดในตอนนี้ก ล, ลัวไหมหหไม่กลัวไ่กลัวครับกลัวนะโอเคแล้วเวลาทำอาการทารีสองนี่เท่ากันไหมก็เวลานั่งสมาธิกับก่อนนอนค่ะก่อนก่อนนั่งหรือว่ากับระหว่างนั่งระหว่างนั่งครับ พอนั่นงพักก็เริ่มเท่าเลยเนยอได้ก็มุดโถคำก็มาแล้วก็กกมาโ่ก่อนเลยมัดโถก่อนเลยเนะแล้วก็ดูลงนะเลลแล้วก็มา ก, การใาสสองครับมันโถได้กี่นาทีได้กี่นาทีก็ 20-25 นาทีครับแล้วก็ตอบด้อาการนารีสองเยครับแล้วตอไปน้งทองอนะไเนี่ะ เาเเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาลมพ้นความแก่ไปไม่ได้ย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาลงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาลงพ้นความตายไปไม่ได้ต้องมีการพลาดท่าจากการเป็นธรรมดาลงพ้นจากการพัาดท่าจากการไปไม่ได้ ทำแนานหให้คุณแม่สอนทำต่ออายานที่สองสร้าบ้านใหม่นะดีไหมดีดีครับเราทำทุกวันทำแน่ทุกคนจะต้อใจ่ายันวันได้วันหนึ่งมไม่ช้าก็เร็วไม่ไม่ได้ใครอยู่บนโลกนี้ไปได้ตลอดมาอยู่ที่นี่ชั่วคราวนะ พอใจแล้วนะใจครับอยากจะถามเลยหน่อยไม่คครับอันนี้เล่เกมน้อยลงแล้วยังตับไดน้อยลงนะนั่งสมาธิดีบานะับครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วครับโอพยายามททุกวันนะตับครม่จะไม่ได้มาเข้าอบรมไมต้องทานะตับ อย่าทิ้งที่เป็นหน้าที่เป็นการบ้านที่พระเจ้ามอบให้พวกเราทำเกันเดี๋ยวจะมีข้อสอบอีนั่นก็มีข้อสอบในเวลาไม่สบายขึ้นมาจะได้เห็นความจริงนะครับโอเคเอาทันทีก่อนนะครับขอบคุณทุกคนอาจารย์ครับอ่าคุณสาธการจากไทยรัฐชาน คขังชอบอาจารย์มาฟังธรรมค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะเออดีอย่าทิ้งเนะี้อันนี้เป็นหน้าที่ของเราขาวคุณไม่ทิ้งค่ะอาจารย์ศึกษาปฏิบัติแล้วก็บรรลุอ่าอ่าค่ะมาฟังธรรมค่ะอาจารย์โอคไปที่อาจารย์พมนิรันดร์ขตลวร้อง<อ>นะครับนล้วกรับน้องสักกรร า, ารย์ค่ะ ลูกปูงกำลังเตรียมตัวพรุ่งนี้จะขับรถกันไปแต่เชา้าไปตักบาตรค่ะวันนี้ไปสายบาตรเลยค่ะ เ, คเลยต้องรีบรี บ, บเงียบหน่ยอยค่ะเร่งเีบหนู่ขับรถไม่ไหวเมื่มามาอวานก่อนก็มีเพื่อนสันต์ปางเขาก็มาสายบาตรกันอ๋อใช่ฮะเจอกันเมื่อวานเข้ามาที่บ้านกันค่ะอ บอกอาจารย์ทำมาทำทำถึงยุกบ้านนั้นเขตั้งใจว่าจะไปทุกเดือนฮะเพราะว่าหลานชายบวชเรียนแล้วก็ปฏิบัติเยอะฮะเขาก็มีใจมุ่งมันแล้วเขาอยากจะไปทุกเดือนดแล้วก็ชวนแม่เขากับป้าเข้าไปมีความตั้งใจจะได้ะจะได้ทำตามที่ความตั้งใจได้ถ้าไม่ตั้งใจก็ปล่อยให้ไปตามอารมณ์ บทีหลายเดือนหรือหลายบางทีเป็นปีก่อนจะไปนะครับกำหนดไว้แล้วเราจะต้องไปตามที่เรากำหนดเรียกว่าอธิษฐานเนี่ยภาษาพระความตั้งใจการกําหนดว่าเราจะทําอะไรนี่เรียกว่าอธิษฐานไม่ใช่ขอไม่ใช่ขอให้ได้ไปใส่ยบาตรขออย่างไรก็มันไม่ได้ไปทําไม่ตั้งใจจะไป พวเราต้องตั้งอกตั้งใจค่ะเวลาจะไปอืเพราะว่าจะต้องเตรียมมือเตรีมตัวนะคะเตรียมมีคน<ต>สนใจมาจากทุกษาที่ที่เข้ามามาได้บางคนเตือนแต่ชาบมาจะกข่าวเลื่อนมาจากประเทศบาจังหวัดใกล้เคียงก็มีเห็นเมื่อวานคนต่างประเทศก็มาไกลกว่าเราเยอะมากเลยนะคะมาปฏิบัติธรรมเขาก็มาเกันเลยรู้สึก เขาตั้งใจมากมาอีกเส้นของทวีอีกเส้นของโลกบินมาจากอเมริกาใต้36ชั่วโมงเนะี่ยมีความเนี่ยที่ฐานเจ็ดดีมากสามมุ่งมั่นดีมาเขาได้ปฏิบัติแล้วเขาเห็นผลแล้วก็อยากจะเข้ามาอยู่ในเขตพุทธภูมิของเนี่ยประเทศไทยนี่เป็นเขตพุทธภูมิ มีการศึกษามีการปฏิบัติธรรมทำสอนพรเจ้าเนี่อย่างกว้างขวางบ้านเราไม่มีเนี่ยเราก็โชคดีนะคะที่ได้เกิดแล้วก็ได้ค้นพบนะสิ่งที่สิ่งที่นำทางชีวิตของเราเนะะี่ยไปสู่ที่ดีขึ้นเป็สิ่งที่หาย า, ยากสิ่งที่หาย า, ยากสี่ประการคือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยการได้ ปฏิบัติได้ฟังป ร, ประทับคำสอยของพระเจ้าแะการมีชีวิตอยู่รอดไปแต่ละวันเป็นของอยากพวกเราได้ทุกอย่างนะแังนต้องรีบตักตัวงผลประโยชที่ได้จากสิ่งเหล่านี้พระทาให้เรามีโอกาสได้หลุดพ้นจากการเป็นาร้า ย, ายเกิด ถ้าไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาแต่เมมากิด เ, เป็นมนุษย์ก็ไม่มีทางที่จะรู้วิธีบุดพ้นได้ก็โชคดีค่ะที่ได้มาเกิดแล้วได้มาพบนะคะคือว่าถือว่ารได้ปฏิบัติ ถ, ถ้าเกิดเป็นหมาก็พระศาสนาก็ไม่ได้ประโยชน์เน <laughs> ี่ยหมาวันเยี่ยะไม่ได้ประโยชน์ครับ แต่คงก็ยังโชคดีนะเดมอยู่ได้อ่สายทานทานครับได้สายความเมตตาเขล้ากายทานไม่มีเคไม่มีใครมาทําแกไม่มีการทำร้ายเขาก็อยู่เป็นสุขสุขูรณผมเขตพระอาจารมีมีนกมีอะไรพระพระแอดเมนเข้าแอดเมนเข้าไป็นคนเขารักษานกมาคอนกอะไรเนี่ยพี่เสียงเด็นไม่ไหว เห็นเขบอกว่าเห็นนายกนะคะของบางแสนน่นนะคะนายกเทสมุตรบางแสนบอกว่าบางทีท่านก็โทรไปบอกว่าเอามารีบรีบรับไปตรงนั้นตรงนี้ไปบ้างมันเยอะแล้วมาให้ทางบางแสนมาดูแลท้าต่างจะเป็นเพื่อนกันนะอืมเขาเป็นเพื่อนกันนายกตัวเุยกับน้องสการ์มาจันเขาไม่ไม่ไม่กวนค่ะ นนไชาจะได้ขับมเช้าได้ตักบารค่ไม่ต้องรีบร้อนนะขับไปสบายสบายถึง6โมไม่ทันก็มาที่ศาลาไปยังได้ไปทั้งสองอย่างเลยค่ะไปทั้งไปทั้งตักบาดแล้วไปศาลาแต่งสองทีโอเค้ใจกันค่ะไม่ต้องอ่าอาจารย์พัฒธลัมอาได้ยินไหมเดี๋ยวข้ามไปก่อนออกมาแล้ว ใช่ไม่ได้น่ารู้กับนวัต ก, การครับครับตอนนี้จะสอบถามว่าพอาดีว่าโยมโยมฝันนะครับแล้วในฝันเนี่ยเ อ, อโยมโยมทําผิดศีลในฝันเนี่ยก็เลยจะสอบถามว่าอย่างเงี้ยมันแปลว่าเราไม่มีสติชใช่ไหมเวลาในฝันเราถึงทําผิดศีลเมื่อเทียบกับว่าถ้ายามปกติเนี่ยเราจะไม่ทําผิดศีลเม่อได้ฝันเนี่ย ไอนน้เวลาเป็นวลาเราหลับนี้เราไม่มีสติทีนี้สิ่งที่ทําให้ฝันก็คือพฤติกรรมของเรานะั่นนหะถ้าเรายังมีพฤติกรรมเอ็เอียไปทางไหนมันก็จะมันก็จะปรากฏในฝันถ้ายังมีพฤยังมีพฤติกรรมทําผิดศีงอยู่มันก็มาโผในในฝันให้เรารู้ว่าเนี่ยเรายังศีลเรายังไม่บริสุทธิ์ คืหมายถึงว่าหมายถึงว่าแปลว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราจะทําผิดศีลได้เหมือนในฝันใหญ่จใช่ใช่ใช่ถ้าเจอเหตุการณ์แบบเดียวกันก็คงจะทําแบบเดียวกันนั้นอ๋อแต่แปลว่าอ๋อเพราะว่าจริงๆเนาะโยงรู้สึกว่าเหตุการณ์มันแบบมันเหมือนจริงมากเลยเพียงแต่ว่ามันไปทดสอบเราในฝันแบบนั้นมันมันเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะทําอย่างนี้ธรรมดาที่เราเราเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ใ น, า น, น, น ท, ท, ทาตรงกันข้ามสมมติสมมติว่าฝันว่าจะจอเหตุการณ์นี้แต่แต่ไม่ยอมทําไม่ยอมทําถึงก็บอกว่าเราเราไม่ทําอ่ะแม้เราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เดีวิธีแก้นี่จะต้องทํำยังไงกว่าจังก็พยายามรักษาศรรีลต่อไปพยายามรักษาศรรีลอย่าไปละเมิด อ, อย่าไปทําผิดศรรีลครับ สีก็คือคือคือจะเสียบเปนสิ่งที่ผิดก็คือว่าถ้าอย่างเป็นพระรยาเจ้าเนี่ยก็จะไม่ทําผิดสีเลยแม้แต่ในฝันก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีแลไม่มีแล้ครับครับแม้แต่เวลาเกิดฝันมันจะไปตกเครื่องบินตายก็ไม่กลัวนะครับใช่ใชครับครับทีนี้อีกคําถามเนยอันนี้คําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติปดีว่าเรา นั่งนั่งสมาธิไปเนี่ยครับแล้วทีนี้เนี่ยออ่มันเกิดความรู้สึกว่าว่าว่าเรามันมั น, ม, นมันคิดคิดคิดมากเลยพุโทโธแล้วมันก็ยังไม่หยุดคิดอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยไม่รู้ว่าว่าว่าเราจะดูความคิดไปแทนได้ไหมเหมือนที่เคยเคยอ่านในหนังสือหรือว่าเราก็ยังต้องพุโทโธต่อไปจน ก, กว่าความิดมันจะดับกันไปข้างก็ ถ้าดูความคิดได้ก็ไม่ต้องพูดโทรเสียเวลาดูความคิดความคิดมันก็ยิ่งคิดไปใหญ่ก็ไม่มีวันหมดครับก็ ค, คือต้องพูดโธรไปไม่สนใจความคิดใช่ไหมครับพูดโทแล้วก็ต้อง พ, พูดโทรก่อนมานั่งด้วยถ้ามาทําตอนที่มันนั่งมันแสดงว่ามันมันไม่ได้เตรียมการมาก่อนพอามาเตรียมการตอนที่นั่งมันก็ยากแต่ถ้าเราเตรียมการมาก่อน เรียนาการบ้านมาไว้ก่อนเรียนซ้อมพุทไว้เยอะๆก่อนมันก็จะตัดลดความคิดที่จะคิดก่อนที่จะมานั่งให้น้อยลงไปได้ด้วยพอมานั่งเราก็สามารถใช้พุโทโธทำให้มันหยุดได้เลยแต่ถ้ามาทําตอนที่มาเริ่มนั่งก่อนนั่งนี่ปล่อยให้คิดตระกเปิดเบอร์ปไปพอเวลามานั่งจะมาพุโทโธให้มันหยุดมไม่หยุดแล้วเข้าใจไหนะ อย่้นก็ปติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับคือเนื่องจากว่าโดยโดยหน้าที่อะครับมันมันจะต้องคิดต้องพูดพนคนนู้คนนี้เนี่ยมันไม่ค่อยจะไดก้ก็มันไม่เหมาะกับผู้ที่มีหน้าที่งานนี้มันเหมาะกับผู้ที่ไม่มีหน้าที่อย่างว่าบวชเนี่ยไม่มีหน้าที่อะไรนะ <laughs> เขาก็เขาก็ไม่ต้องบวยกันเอก็มีหน้าที่นั่งสมาธิพวกก็จิตกาลมเลยใช่ไหมครับการนั่งสมาธิมันก็เป็นเหมือนเล่นกีฬาอย่างนี่ยคุณจะตีกลองเนี่ยถ้าคุณไม่มีเวลาไปฝึก ไ, ไปซ้อมคุณจะไปตีได้ไงครับมูปลอมมูปลนเนี่ยเขาเขาไม่ทำงานย่งไเขาไม่มีหน้าที่อย่าง เาม่ีหน้าที่ตีกอล์ฟอย่างเดียวพวกที่พวกทั้งนักเข้าสมาธิเขาว่าเราม่ีหน้าที่ทําสมาธิอย่างเดียวก็ไม่ทําอย่างเดียวตอนนี้เข้าสมาธิกันได้อพวกนุสีพวกพระที่บวชอยู่ในป่าเนี่ท่านทาหน้าที่เข้าสมาธิอย่างเดียวท่านไมมีหน้าที่อย่างท่านยึดท่านยึดอาชีพนั่งสมาธิเป็นอาชีพอะไรอย่างนีแบบ้ <aroma> พวกเรามันเป็นมือสมัครเล่นก็เหมือนก็เหมือ น, นกับมือก้บมือดูการสมัครเล่นนะตีแบบ้อมตัดหอมคอไปนั่นเองแต่ไปลงสนามแข่งกับเขาไม่ได้นะไม่ชิงรางวัลไม่ได้ะนะในลักษณะของของญาติโยของผู้ที่ยังมีหน้าที่การงานอย่งางอื่นแล้วก็นั่งสมาธิพอเป็นอ่ พอพอพอเป็นขนมอะไรเงี้ยไปเวลาว่างก็นั่งซึ่งมันยากที่จะได้ผลนีแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ห ม, ม, มายความไม่ควรนั่งก็ยังควรนั่งอยู่แต่ยไปหวังอะไรมากก็อย่างนั้นก็พยายามฝึกไว้ก่อนเท่าที่เราจะทำได้ แบบวิธีนั่งแล้วก็ให้รู้ถึงปัญหาของเวลาเกิดการนั่งเล้ามันไม่มันไม่สงบเพราอะไรแต่ให้ยาให้มันรวมให้มันสงมบมนด้คงจะยากนอกจากมีบารมีเก่าเคยฝึกมาแล้วในอดีตชาติอันนี้ก็เป็นกรณีวิเศษครับโอเคมีอะไรไหม ก็มีนิดหนึ่งครับก็ดีว่าอ่าช่วงที่เคยเรียนว่าพิจารณาโครงกระดูกเนี่ยพอพอเราไปเห็นสิ่งที่เรามองแล้วเนี่ยเราก็เราก็ยังยังยังเราก็รู้สึกว่าแล้วก็ก็มองก็ยังอยากมองแต่ว่าเราก็มองแล้วเฉยเฉยเฉยเฉยลงแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงขนาดว่ามองแล้วเฉยเฉยเลยอย่างเนี้ยจะต้องต้องพิจารณาเพิ่มขึ้นครับก็เวลามองก็ให้เห็นโครงกระดูกก็าไง ก็คือแว๊บแรกก่อนเห็นโครงกระดูกมันก็เห็ น, เ ห, นเห็นความเห็นตามตาเนือปกติมันก็ติดมันก็ปรุงไปก่อนก็ต้องเรียนปรุงโครงกระดูกเข้ามาแทนที่เลยแต่ให้คนที่เขามีโครงกระดูกไหมเราถามด้วเราเองอะนะโครงกระดูกเขามีหรือเปล่าในื้อคนนี้ไม่มีโครงกระดูกลองถามคําถาม ท, าที่ดูก็ได้แล้วเจอใครถามไว้คนนี้มีโครงกระดูกหรือเปล่านะ เพื่อไปนไส้เขาแบบมีอาการทางที่สองหรืามันจะเห็นมันธรรมดามันไม่ยาวเห็นเนี่ยมันไม่เคยถูกฝึกไวให้มองมันถูกฝึกให้มองแต่รูปล่างหน้าตามันไม่เคยถูกฝึกให้มองกระดูก ม, มองอาการทางที่สองมันก็เลยไม่มองเราก็ต้องเราต้องผัดหัดใหม่หัดหัดการมองคนใหม่ การที่จะมองรูปร่าง ห, ตาตาหน้าตาฐานะชื่อเสียงเอประวัติตําแหน่งเรื่องอะรเราไปหัดมองอาการทางดีสองของเขาเยเราไม่เคยไมื่อเราไม่เคยถูกสอนถูกฝึกให้มองอาการทางดีสองกันก็เลยมองไม่เพราะไม่มองมองเห็นใครว่าใครเป็นใครว่าเนี่ยชื่ออะไรว่างามศิลุ์อะไรมีตําแหน่งอะไร เราไปมองสมมุติสมัคร์ทป้ามองเรานี่มันเป็นสมมุติแต่ของจริงๆของร่างกายไม่ไม่มองไม่ไม่เห็นนาา้ำตาเห็นก็ไม่ได้เห็นในลักษณะแบบครบถ้วนเห็นแค่อาการภายนอกว่าผมยาวผมสวยผม ส, ผมสั้นผมสีนี้ผมสีนั้นไปหนังห้อยหนังสวยหนังขาวเนียน แต่มาอยู่ที่หนังนั่นเองไม่ไ ม, ไม่ไม่จอดลงไปใต้หนังไอ้หนังก็มีเนื้อมีเอ็นมีกระดูกนะครับนี่ครับแล้วลองสุดใหม่ศึกษาำด้วเองลองลองฝึกดูครับทราบครับแต่มันก็เหมือนกับเปลี่ยนมือที่เราถนัดใช้มือที่เราไม่ถนัดมันคุณจะไม่ค่อยชอบใช้อะไร ไ่ไม่ไม่ถนัดเนียไม่เคยลองแบบนี้มาก่อนครับจะจะลองฝึกดูครับอาจารย์ลองไปดูว่าวันวันหนึ่งเห็นคนท่จะเห็นอาการหรืงสอศก็เขาไหมหรือว่าเป็่อะไรเมื่อร่บได้ครับโอเ ค, คกา<ป>รไปที่คุณเอกต่อเ อ, เอกเชียงราย รามาสการ์พระอาจารย์ครับผมครับวันนี้เข้ามารับฟังครับอาจารย์ครับเข้ามาในงานตัวก็พร้อกับท้าแบบครับอาจารย์ปฏิบัติทุกวันครับอาจารย์ไม่ทิ้งนะครับผมไม่ทิ้งครับสัปดาห์ที่แล้วเอฟังอยู่ข้างนอกไม่ได้เข้ามาในงานตัวครับอาจารย์ใช่ไม่ไม่มีอะไรก็ไม่ต้องเข้ามาก็ได้ไม่ตัดเคยไม่ตัดคะแนนครับแต่ว่าุ่งนี้ผมผมก็ปฏิบัติช่วง ช่วงหัวค่ำก็ไปบัตดยาวครับอาจารย์บางทีก็เกือบเที่ยงคืนครับอาจารย์ก็นั่งนั่งไปสักสองชั่วโมงกว่าก็เปลี่ยนอายะโดก็นั่งนั่งต่อไปเกือบเกือบสเอ็ดมงกว่าเกือบที่่เกือบทุกคืนนะครับอาจารย์ไปนี้ครับผมยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีขึ้นได้ไม่ตครการปฏิบัติเช้าตอนนี้ครับผมเดี๋ยวนี้เพิ่มชั่วโมงก็มันก็สงบดีครับอาจารย์สงบช่วงช่วงตอนเช้าก็ปกติครับตื่นตอนเช้ามาครับตื่นปกติ คพยายามอย่างไหนครับสาหรับอยูี่นั่นนะครับผมครับผมก็ไปบัติตามคำทางสอนของพระอาจารย์ครับก็กลับขอบคุณพระอาจารย์นะครับก็แผมขอให้ถ้าฐานพระอาจารย์เห็นอะไรนะครับครับผมสาธุครับหอภาษนาหมอเดหมินย์คร right? ับพระอาจารย์ ้ค่ะก็คร า, าวนี้เอาเสือมานะคะพระอาจารย์แล้วก็นอนในกรดเพราะครั้งที่แลพระอาจารย์ถามแล้วไม่มีไม่มีเสือก็เลยนอนไม่ได้เพราะว่าเป็นพื้น ม, มันเย็นคร า, าวนี้ก็เลยเตรียงมานอนในกรดข้างนอกค่ะพระอาจารย์เป็นค่ะพระอาจารย์เขามีท่านอนไหมคะหรือว่านอนยังไงก็ได้นอนตะแคงขวาท่านเดินงานท่านสิหาสายญาติตะแคงขวาแล้วก็มีสติตอนนอนแล้วก็ตอนตื่นขึ้นมาก็ให้มีสติว่าอยู่ที่ไหนใช่ไหมครพระอาจารย์ คือก็มีส ต, ติอยู่ลมไปอยู่ห้างหลับรู้สึกตัวขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาทันทีรับสติอ่นต่อคราวนี้ก็ทำได้นอนประมาณสีหชั่วโมงเขาได้ทั้งวันทั้งคืนรู้สึกดีมากค่ะอาจารย์แล้วก็วส ต, ติเป็นเหมือนเราเรอาวุธของตาหายเวลาเข้าสนามล้อมในเตํากอดนอนนอนกอดนอตื่นขึ้นมารับก็ควาหนะาอยู่ก่อ น, นอะนนนวุธยันะอยู่กับงหนาา ชั้นตี่เป็ น, <อ> เ, ปนเป็นเนเครื่ อ, เองเป็นอาวุธของธรองเดือนนี้ก็งานเลี้ยงไปไม่หมดเลยงานพระอาจารย์เข้าเ ข, ข, ข้าสมัยก่อนเนี้ยก็จะบอกเขาว่าถือสีแปดแล้วก็จะโดนเพื่อนลุมอตอนนี้ก็เลยบอกว่าไม่สะดวกไม่ไปไม่สะดวกถ้าก็ค่อยค่อยปล่อยคือถ้าเกิดว่าจะให้ค่อค่อยเล็บแชทแ <laughs> งานเลี้ยงมันรู้เยอะแยะเลยรู้สึกวันนี้ฟังพระอาจารย์พูดเนี่ยเออถ้าใจมันอิ่มอ่ะมันเสียวเวลาไปนงพระอาจารย์ วันนี้ก็มีนะพ่ออาจารย์ประชุมแล้วก็เลี้ยงด้วยอะไรเงี้ยก็บอกไม่สะดวก อ, อก็ค่อยๆป่อยไปเรื่อยๆพอาจารย์ไม่ไปก็เ ป, เป็นข้อสองตัดได้หรือเปล่าตัดได้ซึ่มสมัยก่อนตัดไม่ได้นะพ่ออาจารย์สมัยก่อนนู้นๆเนี่ยชอบงานเลี้ยงแล้วก็แบบครัวเด<ม>ี๋ยวไม่เป็นที่รักของเพื่อเลไอย่างเงี้ยประชุมก<ม>็มต้องเข้าอะไรอยู่นี้แบบจะค่อยๆปล่อยให้หมดแล้วไม่ไปพนักงานเลยเพื่อนเซนโยเพื่อนหมอฟันอะไรกลุ่มประชุมสมาคมอะไรไม่ไปเลยพ่ออาจารย์เนี่ยถือว่างานเลี้ยงนะคะ อัดหมอมอจบฟันที่ไหนที่จุฬาจุฬาค่ะจบที่จุฬาแล้วก็เรียนป่อปติกไฟฟันิจุฬาค่ะพระอาจารย์อืจบที่จุฬาสองที่แล้วก็เรียนที่เดียวเรียนที่เซนโยที่เดียวเซนเซฟคอนเวนต์ไม่ได้ทํางานที่ที่จุฬาอ๋อไม่ค่ะเอ่อทำงานที่วชิราสวัก่อนทำงานที่วชิราเพียบาลจบจบใช้ทุนที่สิงห์บุรี ก็ประมาณสามปีก็มาใช้ทุนที่บัณฑิลาค่ะพระอาจารย์แล้วก็แล้วก็ออกค่ะเพราะตอนนั้นเลี้ยงลูกมีลูกก็เลยทำคลินิกแล้วก็ลาออกเลือกเลือกลูกแบบพรอาจารย์แต่เป็นคนที่มปติลูกมากเลือกให้นมแม่ไงคะพี่หนุ่มก็ทําคนเดียวชี่เลือสิแต่ทําคลินิกนะพรอาจารย์ก็ช่วงหลัอะไรนะคะเรียนเฉพาะทางว่าเรียนค่ะเรียนใส่ฟันนะคะพรอาจารย์คอสติกพรสโตรติกเรียนที่จุวาเหมือนกันค่ะอันปองอะไรพวกนี้อะไรก็ ฟันปลอมลากฟันเทียมเลยพวกเนี้ค่ะแตอนที่ตัวเองเรียนเนี่ยทําตาเทียมใช่ไหมพระอาจารย์ทําตาเทียมปากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหมอฟันตกนงี้ยมันต้องทําทํำคือหมอฟันสมัก่อนจะต้องทําของเทียมให้ให้หมอค่ะก็สนุกดีเราต้องขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะเพราะว่าคุณสงลวายพระอาจารย์มันมีความรู้สึกว่ามันดูง่ายไงพระอาจารย์มันก็เลยเหมือนกับว่าค่อยๆทำตามที่พระอาจารย์บอกรู้สึกว่ามันมันเปลี่ยนไปเยอะมากพระอาจารย์มันนิ่งแล้วก็ดีมาก มันรู้สึกว่ามันมีความสงบความสุขกับอาจารย์การละเกื่อนรถแห่งเ่าชนะรถทั้งบวกค่ะมันจะทำให้เราตัดรถอย่างอื่นได้หมดเพื่อนโมงานเลี้ยงอะไรเขานั่นคนที่เขาเขเขาก็จะหาง่างจากเราไปถ้าเราไม่ไม่ไม่ไปเรื่องของเขาเขาก็มันไม่ได้ ที่พระอาจารย์เทศว่าถ้าใจมันอิ่มแล้วมันก็ไม่กินขี้แล้วที่พระอาจารย์เทศวันนี้อู๋ใช่จริงๆด้วยมันสมัยก่อนกินขี้เยอะมากเลยกินถึงเช่างคืนแล้วกินอะไขี้เลย ะ, ะนนตกก่นอนกินมัก่อมันเป็นขเลยเี่ยในะช่ใช่ใช่ประโยนชยน์ี่ชอบมากแทไม่ได้ว่ากูขี้ล้วกูมาอะรอ แต่มันก็คื อ, อชี้แหละเพราะว่ามันก็กินเข้าไปรวมกันก็คือชี้เด ว, วก็ออกมาเองอันนี้ไม่ใช่เป็นคาอย่างนะพูดตามที่มันเป็นจริงอ่ า, หานหน่อยนะครัไม่ยาบนะพระอาจารย์เพราะตอนที่พระอาจารย์แนะนําตอนนั้ น, นที่ทำอาหารเละค่ะที่เลิอกอาหารได้ก็เพราะว่านี่แหละพิจนาเนี่แหละอาหารเละติดปูนสังขารพระอาจารย์แล้วก็กินรวมกัน กินในหม้อแลันเลิกมันเลิกได้เลยพระอาจารย์กินวัวลอยเปือกกับแกงเขียวหวานอะไรของชอบๆตนนึกหนักตอนแรกๆที่พระอาจารย์แนะนาอ่ะก็พระรู้ว่าจเอ็นติดรถคือมองแล้วรู้สึกว่ารถเนี่ยเอรูปรถกลิ่นเสียงเนี่ยรถจะเป็นอะไรที่ติดที่สุดก็เลยจัดการเรื่องวัถก่อนตอนนู้นนะฮะใช้อหารเลยะอันนี้อยู่ที่เขาอะไรบนเขาใช่อยู่ที่เขาอยู่กับพระอาจารย์กับวันศุกร์ค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุไม่มีอะไรนะะ ทำ น, นีก่อนนะค่ะคุณแนนจากุดอนาาการทำพการแพิธีารวันนี้ไม่มีคำถามค่ะทที่อ้อม้องออมจากบอวินยังนายจองที่ต้าก็ยังอ้อมยังค่ะยังไม่ยอมไม่ยไม่ยอมยเข้าไฟบังครับเค่ะ ยังไม่สะดวกค่ะพ่าอาจารย์มันต้องลาวันนึงอะค่ะช่วงมีงานแน่นก็เลยค่ะก็เลยเป็นเดือนหน้าค่ะค่ะเข้ามาฟังค่ะผ่าอาจารย์ในวันที่คุณหมอณัฐดาหลังงานมการเจอกษาอาจารย์อ็ ช่วงนี้โยมก็มีมีเรื่องที่เหมือนทําให้จิตกระเพื่อมเข้ามาทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพอาจารแต่เรื่องไม่ดีนี่ก็เหมือนกับเราไม่รู้ว่าเราปรุงไปก่อนหรือเปล่าเหมือนเป็นความกังวลความกลัวอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยตอนที่นั่งมันก็อาจจะไม่ได้แบบสงบมากนะักแล้วก็เ อ, อพอนั่งไปสักพักใหญ่ก็จะมีเ อ, อเรื่องของอารมณ์จิตนี้เข้ามาร่วมกับเวทนาทางกายมาครอมกันหน่อยเจ้าค่ะอาจารย์ที่แบบว่า เป็นเวทนาทางกายที่มันเหมือนเหมือนมากกว่าปกติด้วยนะเจ้าค่ะทีนี้ถ้าโยมจะเออเหมือนมองมองถอยมามองตรงเนี้ยไปโดยที่ทั้งคู่เนี่ยเจ้าค่ะทั้งเรื่องอารมณ์แล้วก็กายโดยที่พิจารณา ว, ว่ามันเป็นความอยากของเราแล้วก็เ อ, อ่อมันเป็นไตรลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์นั้นได้ไหมเจ้าค่ะผมจ้างอันนั้นมันก็จ ะ, ะมันช่วยงับา้อารมณ์ทัดใจไนดะ้ เวทนามันก็ระง้ําไม่ได้ถ้ามันเป็นเวทนาทางกายก็ต้องยอมรับสภาพมันไปอ๋อที่มันทุกข์เพราะอยากจะให้เวทนาทางกายหายเรื่มันกำเริบไม่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตอะไรมันเลยทำให้เครียดขึ้นมาแต่ถ้ายอมรับมามันจะตายก็ต้องตายมันจะกำเริบมันจะหนักวันนี้ก็หนักวันนี้ใจก็จะไม่ใจก็ยังไม่เครียด ใช่ค่ะอย่างอารมณ์จิตที่เรากลัวหรือกังวลอยู่นี่ก็เพราะเราไม่เห็นใจรักเราไม่เห็นตายรักของร่างกายเราไม่เห็นว่าร่างกายเราไปก็คุ่มบังคับมันไม่ได้มันจะต้องแก่ทํางเจ็บทําตายในวันใดวันหนึ่งเห็นนั้ น, เ, เ, น, นเราอยาอมรับได้เราก็ไม่เครียดใจเราก็จะเฉยใจเราอยู่ไม่ได้สมอง เจ้าค่ะพระเจ้าคือเราต้องมีจิตนะว่ามันจะมันตอนนี้อาการเป็นอย่างนี้มันจะเลยวันนี้ก็ต้องยอมรับเพรามันจะตายก็ต้องยอมรับไม่ค่นานมันก็จะหาายเครียดได้ถ้ามันไปอยากให้มันไม่เลยกว่านี้อยากไม่แน่ใจว่ามันจะหายไม่หายอะไรทานองคิดปรับสวนได้ด้วยนี่มันก็จะเครียดขึ้นมาเรางสงบลงไปเลยว่าอย่างมากก็แค่ตาย เจ้าข่าพระจังก็เหมือนเหมือนทางกายนี่ก็ก็อยู่แบบเอ่อความปวดที่มันมากขึ้นได้ได้มากขึ้นนะเจ้าข่าวพระจังตามความเป็นจริงของมันมันจะปวดขนาดไหนก็ปล่อยมันปวดไปถ้าเราไม่ไปไปยึดไปไปอยากถ้ามันไม่ปวดเนื้ออะไรมันก็จะทําให้ใจายเราทารามานเจ้าค่าว ทีนี้คือในเรื่องของจิตที่มันกังวลจากเ อ, อในชีวิตเราเนี่ยแล้วมันเข้ามากังวลในสมาธินะเจ้าค่ะพระจักตรงนี้ก็งล้วกันนะนี่แค่เรามองในเรื่องนี้ว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเจ้าค่ะไม่มีอะไรแน่นอนแล้วเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้ตามความต้องการของเราเนก็ต้องปล่อยมันอะไรจะเกิดก็เกิดเนีเจ้าค่ะ ก็คือเช่นเดียวกันคือเราก็ไม่ได้ไปอยากให้อารมณ์จิตตรงนี้มันหายแต่ว่าเราก็พิจารณาไปแบบนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าพิจารณาเหตุที่ทําให้เกิดอารมณ์เหตุที่ทำให้เกิดอารมณ์<ช><า>ก็คือลองไปยึดไปติดกับเหตุการณ์ต่างๆไม่อยากให้เหตุการณ์ต่างๆเป็นปลายตามความต้องการม่ให้มันเป็นปลายตามความเป็นจริงเจ้ค่ะแล้วมองว่าเหตุการณ์ต่างๆมันก็เป็นอย่างเนี้ เระพวคุมเงื่อมันไม่ได้เดี๋ยวฝากาจ้าายอมรับได้มันก็จะไม่มันก็จะไม่เคลื่อนมันจะไม่ทุกมันก็จะไม่ ก, มกมวงว จ, จ้าค่ะ้ใจนะจาค่ะรอาจารย์จ้าค่ะแล้วก็คือมีคำถามว่าคือถ้าเรายืนยืนนิ่งๆแล้วก็หลับตาทำสมาธิแบบนี้เจ้าค่ะเพื่อเป็นการ เอออาจจะนนงงเปลี่ยนทิบทิศทิศทิศทิศท <ouse> ิศทิศทิศท <laughs> ิศทิศทิศทิศทิศทิศมันทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศดิศทิศทิศทิศทิศทิศทนศทิศ่ิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิยืนหทิศทัศงิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทยบทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศทิศ ถ้าอยู่ในทานอนยิ่งกว่านี้ยิ่งหลับง่ายใหญ่จ้าค่ะถ้านั่มันก็ถ้ายืนมันน่าจะยากกว่าท่านอนนิดน่ะก็ลองดูได้แล้วเดินก็ได้ท่านเดือยืนมันมันจะหลับก็ลองเดินหนึ่งก็ได้แต่อย่างยืนมันน่าจะสงบได้มากกว่าเดินเปนเจ้าขาปัจจัเหมือนกายเราหยุดนิ่งใช่มันน่าจะสงบกว่าแันก็น่าจะหลับง่ายกว่าอ๋อเพมันมีการเคลื่อนไหวมันมีการเดิน ไม่เป็นกับการเดินเดิมันีการเครื่อนไหวนี่มาทิ้งจะแก้ความม่วแต่ถ้าไม่แก้ความมั่วเปรียาเมื่อยมันเมื่อน ย, อยนั่งมันเมื่อยไม่ต้นไปยืนก็ได้เจ้าค่ะรอาจารย์ค่ ะ, คะแล้วก็จะขอคำถามเชิงคันนะค๊ะมี ค, คำถามอื่นใช่คะ ก็ก็คือเออมันจะมีไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ที่เหมือนเออ่จิตมันเอเบื่ออารมณ์กรรมฐานเดิมหรือว่ามันไม่สุกแล้วเราแบบอยากจะเปลี่ยนองค์กรรมฐานอะไรประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ได้การพิจารณาการสาที่สองไปก็ได้การสาที่สองพิจารณากัแก่จิตตาไปแทนก็ได้ก็เป็นก็เป็นกรรมฐานเหมือนกันมรณาเมสติ เจ้าค่ะตอนนี้ก็ก็ยังเอพิจารณาเรื่องโครงกระดูกเออยู่เจ้าค่ะพระจันทร์ก็รู้สึกว่าเหมือนแต่ว่ามันเหมือนจะทําให้วังได้ไ right. ด้หลายๆอย่างที่แบบว่าเออ่ทั้งเรื่องของเออว่าสุดท้ายเราก็ต้องกลายเป็นโครงกระดูกเรื่องของความตายแล้วก็เอเรื่องราค่าอะไรแบบเนี้ยเจ้าค่ะพราจันทรืนึกทราบศพชนนี้ก็ได้แล้วติบทานโดยท่านก็แสดงไว้สอบศพชนิดด้วยกัน ทำไมก่อนเข้าสพไปที่ในป่าชามันก็จะขึ้นอื่นแล้วก็เขียวช้ำอต่อมามันก็จะ ม, มีน้ำมีอะไรน้ำามาต่างไหลออกมามีแรงกามากัดมีน้อนมาชัยมีมดขึ้นอะไรอันนี้ก็เปลีนน่ยนได้ถ้าของเก่าเบื่อแลกยาวของที่มันใหม่ๆก็ของพวกนี้ดูก็ไน้ จะได้หายเบื่อแนเจ้าค่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็วันนี้ก็มีเท่านี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกลับมาขอบคุณครับครับคุณก้องคุณสุราว่ามันยังไม่อ้วนขึ้นใหญ่อะไรนั่นเนี่ยวันรี้สังเกตแล้นี่ยกินปี้มากแต่พยายามครับ ก็ชีวิตก็มีปัญหาเยอะครับแต่ว่าเรามีปัญญาเรามีธรรมะที่พระอาจารย์ได้สอนเอาไปใช้เราคิดแก้ไขแล้วก็พิจารณาแบบมันทำให้ใจเราว่างเราก็ตงโล่งว่างๆใครสมมติใครมาเย็นดา่าผมก็ไม่ค่อยจะคิดอะไระครับห้ามเขาไม่ได้อน้าตาทุกอย่างเป็นนนตาเราไปห้ามเขาบักเขาเขาไม่ได้อมันก็นานวกว่าจะคิดได้พอคิดได้แล้ว มันมีความสุขแล้วมันว่างๆโล่งๆครับอาจารย์ครับวันนี้มารับแสงครับแสงธรรมครับโอเคที่ฉันโดดเมื่อกี้อยู่กับคุณยายนี่ยคุณยายเข้าโรงพยาบาลเนะ่ันดดรสักการครับอาจารย์เดี๋ยวสักครู่นะครับอาจารย์ขอคุณยายครับดีว่าคุณยายไม่สบายครับผมอาจารย์เป็นส t r o ครับผม s t r ครับ เข้าไอซีค่ะแล้วก็เพิ่งได้มาห้องอผู้ป่วยปกติเมื่อตอนตลาวันคุณพอดีคุณยายอยากกล่าบ <c oughs> พระอาจารย์ก็เลย uh, เปิด uh, สูงให้ท่านเข้าครับผม uh, ได้คุณยายก็อย่าไปยึดร่างกายว่าเป็นตัวคุณยายนะมันไม่ใช่ตัวคุณยายมันเป็นคน uh. รับใช้คุณยายร่างกายเป็นร่างกายเป็นบ่าวเราเป็นนายนะ ปัญยายเป็นนายของร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นคุณญาอะอาจารย์ครับตอนนี้คุณยายจะพูดไม่รู้เรื่องอะครับตอนนี้ก็จะพูดจะฟังไม่ค่อยรู้นึกนักก็เป็นการคุณเดี๋ยวทันโดดก็เอาไปน้อน้ำมรก็ไปพูดแทนต่อก็ได้ถ้าคุณยายถามว่าพูดอะไร คุณยายคุณยายจำได้อยู่คนเดียวครับคือพระจานทร์ครับยังเรียกชื่อลูกหลานสลับแต่ยังจําชื่อพระจานทร์ได้คนเดียวเลยครับรแล้วก็ให้เอาหนังสือที่พระจานทร์แจกหน้ากุฏิครับมาวางไว้ที่หัวเตียงนอนครับเอ่อปัญหาเนี่ปัญหาให้คุณยายทำบาไม่ใช่เฉยไม่เกิดประโ ย, ย, ยชน์อะไรครับไปจันทร์ครับรแล้วก็วันนี้ร า, ายงานเรืองการปฏิบัติครับผมอ่ามาก เดี๋ยวนี้พอฝึกเจริญสติบ่อยๆแล้วมันจะเห็นแบบว่าอารมณ์ต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับความคิดอารมณ์อะไรอย่างนี้ได้ไวขึ้นนะครับอาจารย์แต่คือมันยังไม่ดับนะครับพัชชย์แต่ว่ามันเห็นนะมันเห็นแวบมาเนี้ยครับพัชชันเออมันจ็ใช้พูดโทรศัพท์สื่อะไรแบบต่เวลาที่เรามีสติเฮ้ยเรากำลังมีจิตแบบนี้เรากำลังมีอารมณ์อย่างนี้มันดับไปเองนะครับพัชชัน บางทีก็ดับบางทีถ้าไม่อัาก็ใช้พุทโธดับกันได้ครับถ้ามีอารมณ์โกรธขึ้นมาไม่ยอกดับนู้นเนโกรพุทโธพุทโธไปนะับ้เดี๋ยวก็ดับไปพุทโธเหมือนอะไรก็ะบอกน้ำดับเพลิงที่เขาติดไว้ตามบ้านเนี่ยเวมีไฟก็หยิบมาฉีดไปปุ๊บเดี๋ยวก็ดับไปดับไปน้ำดับความทุกข์คือสติพุทโธพุทโธไป ครับแล้วก็ตอนนี้ทางบ้านรอฟังคําสอนจากอาจารย์ตอนนี้ครับผมเพราะว่าทุกคนค่อนข้างแบบว่าสูดเสียใจมากเลยพอคุณยายเข้าไอซีอยูครับตอนนี้เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อกี้กัปเทศสสอนจามนกับแชซี่ร้าถ้าว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดา มันไม่ใช่เราร่างกายไม่ใด้เรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาป่วยมันแก่ป่ายมันเจ็บป่วยมันตายไปเราไปเสียดายเราใจเราจำใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะเฉยใจเราจะสบายครับอาารตอนนี้สำหรับตัวผมเองนะคะอาจารย์คือ ผมอไม่ได้กลัวแบบตายแล้วก็ไม่ได้กลัวแบบว่าผีหรืออะไรนี้หรือว่ากลัวอสุภะเลยแต่ว่าเวลาที่คนใกล้ชิดเราอย่างเงี้ยไม่สบายเราเป็นห่วงเนี้ยครับอาจารย์มันทําให้เราแบบว่าเหมือนจิตกระเพื่อมมากเลยครับอาจารย์ก็ต้องพ ย, ยากยามเขาจากเราไปเพราะ<ป>เรายัางเรารักเขานะก็ไม่อยากให้เขาจากเราไปารเราลืมพิจารณานิดจังนะว่พยายาม เห็นใจลักครับผมพระอาจารย์แล้วก็เอาปัญญาที่พระอาจารย์สอนม า, าใช้ใช้ปัญญาสอนแล้วถ้ามันยังยังไม่สางบก็ใช้พุโทโธช่วยด้วยพีนึงครับใช่แล้วก็ยังฝึกในเรื่องของการพิจารณากระดูก้วก็อสุภตอนเนื่องครับผมาอาจารย์เวลาเห็นใครอะไรยังไงหรือเห็นนิหารก็จ ะ, ะไม่ ยินดีไปกับลูกเสียงกินรถอะไรพวกนั้นครับอแล้วก็ทำไปอาจารย์แล้วทุกวันนี้ก็นอนนอนพื้นครับผมอาจารย์อ่ก็จะมีผ้าเช็ดตัวผืนหนึ่งปูไว้ที่พื้นนะครับแล้วก็นอนกางกับพื้นนะกางกับพื้นครับผมอาจารย์จะได้ไม่นอนหนั่งเป็นไป ครับแาจแต่เวลานาฬิกาปลุกผมก็ยังเลื่นนาฬิกาปลุกอยู่ครับต้องตั้งคติว่าพูดโทรศัพท์ขึ้นมานั่งหน่อยลุกขึ้นมาอย่างนอนต่อครับอาจารย์บางทีหลอกตัวเองตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วบอเออวันนี้มันไม่มีอะไรตื่นใช้สักหน่อยกิเลสมันร้ายครับอาจารย์ลุกขึมานั่งสมาธิจิตการแล้วไม่มีอะไรทำ ครับกิเลสวัน้ไลก็ผมอาจารย์ครับแล้วก็มีคําถามครับก็คือเวลาที่ผมเนี่ยนั่งสมาธิก่อนนอนหรือว่าเวลาว่างอะไรเงี้ยครับอาจารย์หรือตามแบบตามกําหนดการอย่างเงี้ยบางทีเรานั่งไปได้นานพอสมควรแบบยี่สิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วเราอยากนั่งต่อแต่มนั่างกายเรามันไม่ไหวะครับอาจารย์คือ ตรงบริเวณหลังนะครับคือมันปวดไปหมดเลยแล้วเราก็พยายามที่จะแบบไม่สนใจเพราะว่ารู้ตามที่อาจารย์สอนว่าถ้าเราไปเพ่งดูอยู่ตรงนั้นมันจะทำให้ยิ่งปวดและยิ่งมันอยากที่จะแบบเลิกนะครับเลิกนั่งสมาธิผมก็จะพยายามเี่แบบอยู่กับตรงหายใจอย่างเนี้ยครับอาจารย์ถูกต้องนะครับถ้าอยู่กับตรงหายใจไม่ได้ก็ใช้พุทโธเดียกว่าท่องพุทโธไปหรือเข้าอาการหายใสองไปกันนะ มันจะได้ลืมเรื่องาการเจ็บปวดของ่างกายต้องอย่างไรบ้างแต่ถ้ามันปวดอย่างนี้คือมันต้องแบบรี่ก็นปล่อยมัน ป, ปวดไปถ้มามื่อว่าเราเราไม่สบายมันปวดเราก็ทํำอะไรไม่ได้ก็เราผ่าดอยู่กับมันไปครับผ่านอยู่ด้วยพุโทโธผัานอยู่ด้วยดยสติครับผ่านจั แล้วก็เวลาที่มีใครอย่างนี้ที่พูดจะถูกใจหรือไม่ถูกใจเราก็จะอุเบกขายอย่างเดียวลูกเรื่องไม่กำหก็ต้องอยู่กัอยู่กับเขาให้ได้อยู่กาบคำชมคาด่าให้ได้เหมือนกันเหมือนคำเวทนามัอนคำเจ็บม้างกายครับอาจารย์ครับผมมีคําถามครับอาจารย์ก็คือเวลาที่เอี่ยงญาติเราไปเข้าในสังคมที่โรงเรียนนะครับอาจารย์แล้วเราเจอเพื่อนบางคนที่ไม่แบบว่าไม่ ไม่ใช่กัญญานมิตระะะไม่ใช่ญาติธรรมที่ดีอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วก็จะคอยแบบส่งพลังลบให้อย่างเงี้ยคือพูดจาไม่ดีไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยแล้วผมตัดสินใจที่จะแบบเลิกคบอย่างเงี้ยครับอาจารย์มันจะเป็นการผักไม่าตาไหมครับถ้าจาเป็นจะต้องเจอกันก็ก็ก็เจอแบบไปแต่ถ้าไม่จําเป็นก็พยายามหลีกเลี่ยงเขาอย่างเงี้ไม่ทํากับ ไ, ไม่ถึงกับําเกียดเขา ถ้าต้องเจอกันจะเองกันแล้วทายกันครับอาจารย์ป้าเวลาเดี๋ยวนี้เวลาทํางานกลุ่มของเขาเนี่ยครับผมก็จะพยายามที่จะแบบว่าก็เฉยเฉยก็งานก็คืองานมันเราต้องมันขึ้นเรื่องส่วนตัวเนี่ยไปเวลาต้องรวมงานก็ทํางานร่วมลงไปแต่เรื่องส่วนส่วนตัวเราก็ไม่ไปสึงเสียได้เราไม่ไปใกล้ชิดเกี่ยับเขาแต่ก็ต้องมีอัธยาศัยมาตีจริง้ะ ยทัทายกันกนนติด้่าครับครับอาารย์ก็พยายามครับะเดี๋ยวยายขอกราบอาจารย์ครับแล้ววันนี้ไม่มีมอะไร้วยายขอให้หายเร็วๆนะเดี๋ยวกลับบ้านนะออกทำงานกลับบ้านแล้วนะดาธุพุทโธพุทโธนะทำใจใสงบสาธุอาจารย์ขอ ข, ขอบคุณอาจารย์ครับผม คุณมาริการแจกรล้วเราเทว่าแบบนักการเจ้าสาวพระอาจารย์ก็ได้ความกระจากในกรเรื่องของในการเจริญสติในวันที่16ทีดด่ผ่าน ม, มานะคพระอาจารย์ mm hmm. วันนั้นได้ฟังแล้วก็เข้าใจดีมากเลยนะคะบางครั้งกันอยู่ที่บ้านนะคะพี่เจ ง, นงน้นก็เราก็ คิดว่าเออเราต้องไปวัดต้องไปวั ด, วดเรก็ยังกว่าเออการปฏิบัติต้องไปวัดพอพระอาจารย์อธิบายในเรื่องนั่งากาหนดองศ ว, ว่าสักหชั่วโมงไม่นั่งที่ได้นี้นั่งนั่งอยกบที่สามั่ยดีหมลองทำดูนะลองทาดูนะก็ตอนนี้ทำแค่สองสามชั่วโมงเองค่ะพระอาจารย์ยังไม่ถึงชั่วโมงเลยค่ะไม่เป็นไรก็ยังดีทำไปเรื่อย ไม่จำเป็นต้องไปวันอ่ะพอให้เรามีห้องเงียบๆ เ, เราอยู่คนเดียวได้เราก็เราก็ปฏิบัติได้สาธุนะคะคุมันอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การเจ ร, ะะเริญสติเนียเป็นหลักเห็นี่ยเวลาเราถูกบังคับให้อยู่กับที่นี่เราก็ใช้สติสู้สู้ความอยากอยากจะไปโน่นอยากจะมานี่แเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธหยุดมัน ถ้ามันขับ<ๆ>ไม่ไปเรจะอยู่ตรงนี้จนกว่าจะคบเวลาที่กาหนดมาเนี่ยเคลื่อนไหวมีเนีย่ยเคลื่อนยับจากที่ได้แต่ไม่ต้องทรมานหน้ามือถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนเดินแล้วเมื่อยก็กลับไปนั่ง ไ, ได้หมายหมายถึงว่าต้องสามารถลุกเดินได้ในไมไ ด, ไมด้ไม่เดินเอาแค่นเอาแค่ ย, ยืนกับ น, นั่งพอๆอ๋อยืนก<ๆ>ับนั่งแต่ไม่ต้องนั่งแบบทรมานแบบนั่งแบบสบายๆนั่งแบบเก้าอี้ ก็ได้ความเมื่อยมันเจ็บก็ไม่ต้องเท้าไม่ต้องไปทนกับความาเมื่อยความเจ็บมุ้งขึ้นมายืนได้แต่ไม่ให้มันไปที่อื่นนะชนั่งเหม่อนอาจารย์นัง่ง<ห>ไปเดินนิดหนึ่งอะไรประมาณนั้นอันนั้นก็ได้แต่มันไม่ไม่ดีเท่ากับไม่เดิ น, นก่อนถ้าเราอยู่ที่ที่มันแคบมันเดินไม่ได้แล้วต้องยืน ต้นใจมันอยากไปนู่นมาี่นี่เวลาไปเดินมันก็เหมือนกัไปทําตามใจมันแรงต้องการให้เคลื่อนไหวไปจากจุดจุดที่เรานั่งก็เป็นช่วงเวลาสั้นๆที่เรากำหนดไว้สามชั่วโมสี่ชั่วงอะไก็ว่าไปคืเอจะจะสู้ความอยากที่อยากจะเคลื่อนไหวอยากจะไปนู่นไปนูน่นก็อยากจะกลับมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็อยากจะไปรงนั่งมันอยู่ไม่สุกอ่ะถ้าเราไม่หยุดมัน ก็มันมีอาการอย่างหนึ่งค่ะพาอจาก็คือแบบในความรู้สึกว่าเปลนได้แล้วเอ้ยเอ้ยเอ้ยเนะแะคือก็าเจะมีอยู่ต้องมีอยู่ในลักษณะอย่างนั้น่างนั้นเอ้ยอย่างนี้ในความรู้สึกว่ามันต้องมันต้องจะมีการเปลี่ยนอยู่เรื่อยเลยลักษณะในความคิดของที่ลักษณะเกิความอยากถ้าถ้ามันนิ่งมันไม่มีความอยากมันก็อยู่เฉยได้เที่เราหมากันได้ เราต้องการยาวชนะไ้ตัวความอยากให้มันยอมแพ้ให้มันหยุดอยากหยุดเครื่อนไวมให้มันยอมอยู่กับที่ยอมนั่งหรือยอมยืนยอย่างเดียวก็แสดงว่าในจุดนี้เราต้องใช้เอาอที่บทสีนะั้นเข้ามาก็ต้องใช้สติเั็นหลักสติหรือปัญญาอุบายของสติหรือปัญญาอุบายสติก็าจจะใช้การสวดมนต์ก็ได้ใช้พุทโธก็ได้อาการฐานสิบสองก็ได้ อะไรไปทางนอี้ย ใ, ให้ใจมันลืมความอยากที่จะไปนู่นมานี่เดินทางมันไม่มันไม่มีอะไรมากก็ดูงนั่งดูลงไปก็ได้มันมีมันมีหลายวิธีด้วยกันแต่เราจะไม่ใช้มันจะไม่ใช้นังสืออ่านเราจะไม่ใช้อะไรมาข้างนอกของภายนอกขร่างกายเราไม่เอาอมาเราจะพึ่งพึ่งใจเราอย่างเดียว แล้วก็ไม่นอนด้วยห้ามนอนห้ามหลับด้วยห้ามนั่งหลับมีนิดหนึ่งกับอาจารย์สิบห้านาแล้วมันจะมีช่องทำอะไรไม่ได้กูก็หลับดีกว่าลองทำดูนะการต่างกคนะคะอ่ามันยินดีต่อมันยินดีจากแคนซอเมื่อก่อนที่ย่านมันอยากซ้อบคารอลายนานะใช่ไหม ใช่ค่ะท่านอาจารย์ควันนี้วันนี้มีคนมันอยากน็อตคาร์ไลน์ะเขาบอกเขาเขาเคยเห็นในสูก็มีคนอยู่ที่ซาฟารีนะวันนี้ย้ายไปแคนเซิลนะค่ะท่านอาจารย์เป็นคนไทยเขาอยู่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเที่ยวมาเที่ยววัดอ๋อค่ะแล้พอดีเจอแล้วเขาอะไรเล่าให้ฟังว่าเขาเคยเข้ามาดูในสู ค่ะท่านอาจารย์ค่ะเดวิดฝากกราบท่านอาจารย์แล้วก็พร้อมกับบอลท่องเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบคุณด้วยนะอาจารย์ค่ะก็ไม่มีคําถามค่ะท่านอาจารย์ก็วันอาทิตย์ที่แล้วเห็นท่านอาจารย์สุขภาพตอนนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะท่านอาจารย์ก็ไม่ได้เป็นอะไรมาต้องงานเลย เห็นหมอช่วงที่หมอวีอะค่ะเห็นท่านอาจารย์ไออยู่อ่ะค่ะห <cell. S 2> มอเขาต้องมีบางสิ่งบางทีมันก็สํา น, นักน้ำลายแล้วมันก็ไอออกมาค่ะาาท่านอาจารย์ก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะบอล่องเต้นเหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์รย ท, ท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะอะคุณโทนกรุงเทพคอสโลนโทนขอ บ, ขอบกล่าวต่อพกาศ ร, รกาศรราสต ร, ราจารย์ครับพอดีหายไปหอาทิตย์เลยครับศาสาจารย์ผม ไปอยู่ในป่ามาครับพระอาจาย์ไปไครับไปไกลลองใช้วิธีของพระอาจาย์ครับก็คือกายวิเวกแล้วก็แล้วก็ใจวิเวกครับพระอาจายัอก็ไปที่ชนบุรีครับพระอาจารย์เป็นป่าที่อำเภอบอ่อทองคนระับก็ไปกับชาวพนะกที่ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไปอยู่ในป่าครับแล้วก็ปิดว้าจาประมาณเจ็ดวันด้วยครับอาจารย์แล้วก็กินข้าวเมื่อเดียวครับ แต่ก็เหมือนไปเหมือนไปสังเกตร่างกายสังเกตจิตใจ้าง ก, กว่าครับพระอาจารย์ก็วันแรกแรกก็เครียดมากเลยครับแต่ก็นึกถึงพระอาจารย์เสมอครับเพราะว่าพระอาจารย์เป็นแบบอย่างที่ทําให้ผมมีความอดทนแล้วก็สังเกตตัวเองแล้วก็จิตใจตัวเองต่อครับพระอาจารย์ก็ผมรู้สึกว่าก็อยู่ร่างกายตลอดเลยครับเพราะว่าเหมือนเราเคยติดโซเชียลมาเคยคุยคนเยอะๆมาแล้วมันเหมือนแบบ S 1> <S 1> <S <an> <S เหมือนเรากระวนกวายคับพอาจารย์เราก็เลยอยู่กับร่างกายตลอดสังเกตร่างกายจนสังเกตข้างนอกสังเกตข้างในครับแล้วก็มาสังเกตจิตใจครับพอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ต้องคู่เลยครับาอาจารย์ตอนนี้ก็เลย ม, มีความเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของจิตใจครับพอาจารย์ว่าเราก็ควบคุมอะไรมันไม่ได้ครับเห็นมันคิดเห็นมันทําอะไรของมันตอนนี้ก็ ก็รู้สึกดีขึ้นครับอาจารย์รู้สึก ว, ว่าเราก็เป็นผู้อยู่อาศัยครับอาจารย์ที่เห็นทุกอย่างมันเป็นไปครับอาจารย์ทีนี้ผมมีคําถามครับอาจารย์ในเรื่องของการที่เราเห็นจิตใจเราบางทีครับเหมือนเรารู้แล้วแหละ ว, ว่าต้นสาเหตุมันคืออะไรครับอาจารย์เห็นมันดิตของมันครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนเราก็ยังแค่รู้อย่างเดียวไม่ได้เหมือนเราก็ต้องไปกลับไปที่กายก่อนเพื่อทําให้มันแบบหายไปมีสติครับ แต่พอมันเจออีกรอบหนึ่งบางทีไอ้ตัวเนี้ยมันก็ยังบิดยิ่งของมันอยู่ผมก็จะสอบถามพระอาจารย์ว่ามันจะเราจะสามารถจัดการได้อย่างไรครับอาจารย์เราต้องไปฝึกสมาธิก่อนถ้ายังไม่มีสมาธิเราถ้ยังไม่เราจะรู้เราก็ไปไปจัดการกับมันไม่ได้ทํำให้มันเล้งทำให้มันสั่งงไม่ได้เราฝึกสมาธิให้มากมากก่อนต้องไปดูใจดูกายที อาจารย์ครับก็บางทีก็มันก็หน้าแปลกครับอาจารย์บางทีผมก็เห็นใจบางทีมันก็ไปเป็นสั่งร่างกายของมันโดยที่ผมก็ได้ตั้งใจก็มันก็เป็นอะไรปรากฏการณ์ที่ก็แปลกดีครับก็ดูมันทํางานโดยก็เข้าใจอย่างที่บอกว่ามันก็เปลี่ยนแปลงเสมอมันควบคุมอะไรไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติมากพอครับก็พยายามสังเกตมันพร้อมกันครับอาจารย์สังเกตอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติสติให้มากๆ ให้ควบคุจิตให้ได้ให้ให้หยุดจิตหยุดจิตอยุดความผิดให้ได้ก็จะคลายไปดูมันได้ตอนนี้ผมก็ดูลมแล้วก็พยายามมาฝึกสมาธิให้สูงสูงขึ้นเพราะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากที่จะรู้ฐานจิตใจครับตอนนี้ก็แล้วในชราที่ไปใช้ทางปัญญาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรอะไรไม่ได้ครับก็รู้สึกตัวว่ายังควบคุมอะไรไม่ได้ครับแบบปอดกํำลังมากเลยคิดว่าโหสมาธิเนี้ยสุดๆดแล้วครับอาจารย์ ก็วันนี้อยากสอบถามเรื่องการเดินจงกรมในในในในสาวพราจารนะครับว่าเออเหมือนเวลาเราเดินเราต้องรู้สึกทั้งกายหรือดูที่ลมหรือเราต้องพิจารณาอะไรครับพอาจารย์ทิศทางที่ดีครับทางที่ดีก็ดูที่เท้าเนี่ยเพราะเวลาเดินเท้ามันก้าวไปก้าวมาก็ดูที่เท้าอย่างเดียวครับพอาจารย์ครับหรือว่าเราเราลก้าวเท้าซ้ายแล้วก้าวเท้าขวาไปซ้ายขวาซ้ายขวาไปแล้วก็มองทางเดินด้วยไม่ใช่มองแต่เท้าอยงนีมองไปข้างหน้าเลยเดินไปชนอะไรก็ ครับก็คือรู้สึกที่เท้าด้วยคให้ใจผูกไว้กับเท้าแต่ก็ต้องดูดูทางเดินด้วยว่าข้างหน้ามีอะไรด้วยครับพระอาจารย์ครับครับอแต่หลักก็อยู่ที่เท้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปครับพระอาจารย์ครับเป้าหมายก็เพื่อไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับครับห้ามคิดห้ามคิดเลยครับใช่ครับพระอาจารย์วนนี้ผมจะตั้งใจฝึกสมาธิเยอะเลยครับพรอาจารย์ครับลองหยุดิดให้ได้ก่อนแล้วไปไปดูจิตดูอะไรต่างๆได้ทีนี้ ครับอาจารย์ครับก็เนื่องด้วยวันครูที่เพิ่งผ่านมากับวันนี้ก็ขอกราบอาจารย์แสดงความกติตาจิตครับอคุณตายพัทยาชื่อกระตายแต่ปฏิบัติแบบเต่านะอ้งองกรารรัศการครัอาจารย์ก็ยังได้อยู่แค่ทานอยู่คะ่ะสมาธิก็รุมๆดอนๆค่ ะ, ะาอาจารย์อ<ร>ค่ะ อาจารย์คะในเมื่าคนเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเราจ้องตรวจสุขภาพไหมคะพระอาจารย์เราต้องพระเจาสมัยก่อนก็ไม่ต้องตรวจก็ได้เหมือนก็แต่ถ้ามันจะมีจะตรวจก็ได้แต่ถ้าไม่มีตรวจก็ไม่ต้องตรวจเาตรวจมันก็ไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายหรอกมันอาจจะมันอาจจะยืดเวลาตายให้มันยาวไปหน่อย จะลดอา ก, การเจ็บค้าได้ปวดให้น้อยลงหน่อยก็ได้ถ้าเราไปตรวจรักษาค่ะยมกําลังคิดหรือว่าโยมจะเข้าไปตรวจร่างกายดีหรือเปล่า<ม>เพาไม่ได้ตรวจมาหลายปีแล้วอะไรประมาณนี้ก็มันลราเราไม่เดือดร้อนเลยไปตรวจทำ่มก็ก็อย่างอาจารว่าถ้าเรายืดมันไปได้ก็ดีหรือ <g> เ <ül> <g ül> ปล่าหรือว่ไม <g ül> ่ต้องก็มันก็มันก็เป็นการเป็นกิเลสไปความอยากให้มัน ไม่เจ็บไม่อยากให้มันตายใช่ไหมพงศ์ก็เอามันจะเจ็บก็เจ็บจะตายก็ตายไปแล้วก็ดูพ่มันดูอยู่ทุกวันครับก็พยายามรักษาดูแลมันไปอย่าให้มันไปเอาของอะไรที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาในร่างกายมันก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่มันเราเป็นคนทําให้ร่างกายมันเจ็บเองเอาของไม่ดีเข้าไปในร่างกายบางคนก็เอาสุราเข้าไปบางคนก็เอาบุหรี่เข้าไป บาคนก็เอาสารเสพติดเข้าไปมันก็เลยทําให้ร่างกายมันแย่อย่างถ้าเราอยู่แบบธรรมดาเอาของซาเข้าไปในร่างกายมันก็ไม่น่านมีปัญหาจะขายง่ายก็อาจจะตรวจก็ได้แต่ไม่ได้ห้ามกันเราก็ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งเขาก็มีหมอเขาก็ามาเอาเื่อิไปจับไปตรวจไปเท็คทีนึ่งทีละครั้งปีละครั้ง พระอาจารย์เพราะว่ายมไม่ได้ตรวจมาตั้งสามสี่ปีแล้วเพราะว่าตรวจที่ไรมันก็ได้หนึ่งโรคมาทุงทีอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าถ้าเขารู้ปุ๊ก็ไม่เอายาเขาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่รับยาอย่างเงี้ยยมก็เลยว่าเอจะตรวจไปเพื่อเพื่ออะไรถ้ารู้แล้วไม่สบายใจหรือว่าเราจะมาปรับแบบสมมติวเราเราไเราเด็ดเดียวบอกว่าอะไจะเกิดก็ยอมให้มันเกิดเขาไปทําไปตรวจมา นั่นแหละค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเรายังไม่รู้ไงคะว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเราก็จะรู้ว่าเรายอมรับในในสิ่งที่เราที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรก็ดเดี๋ยวมันถึงเวลามันก็มาเองไม่ต้องคิดมากค่ะพระอาจารย์ <laughs> <laughs> แล้วก็ช่วงเนี้ยมก็มีแบบมโมหะโฉสเยอะมากเลยกับกับลูกน้องอะคะ่ะ ก็มันห้ามคือเวลาเกิดโทรสารเนี่ยก็จะดุดูุเขาแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็บอกว่าพอได้แล้วขอได้แล้วเขาได้แค่นี้เขาเขาเขาเป็นส้มจะให้เป็นยังอื่นได้ยังไงก็เอาความคิดของที่พระอาจารย์สั่งสอนแล้วก็มาคิดอย่างเนี้ยแต่มันก็ยังอ๋อจะตรวจโมหะโทรสารี่มันแรงมากเลยยังก็ออนไม่หยุดเราหวังอะไรจะเข้ามากเกินไปต้องการอะไรจะเข้ามากกว่าที่เขาจะทําได้ เขาไม่ทําแล้วก็โกรธเขานะคะแต่ก็มีทุกวันเขาก็เขาก็ถทำได้แค่นั้นทุกวันย่อมก็โอ๊ยทําไมเราต้องเหนื่อยกับเด็กคนนี้เราจะทํายังไงดีจะเอาออกก็สงสารเพราะว่า<ม>ถ้าอเอาเขาออก็จะเย็นๆก็ค่อยสอนเข้าไปเรื่อยๆอไปเวลาเขาทาอะไรผิดพลาดก็สอนเข้าไปให้ตาข้าไปบางทีบางค น, <บ>งคนมันใช้บางคนมันต้องใช้เวลาเรียนนู่นนานหน่อย สติปัญญามันทึบมันบางทีฟังแล้วพูดแล้วไม่เข้าใจแต่ถ้าพูดหลายๆครั้งมันก็ยังไม่เข้าใจใช่ค่ะยมมียมมีลูกน้องมาโยม ก, ก, มยม ก, ก็ไม่เคยจะช้าขนาดนี้อันนี้โอ้ยผ่านไปแล้วผ่านอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทําแล้วทําอีกอก็กยังยังเหมือนเดิมยมก็โอ้โหโอ้วหโนที่มาดีกว่าไม่มีเขาอะถ้าไม่มีเขาเราต้องทำเองนะยิ่อย่างนี้ก็แล้วกันแล้วค่ะพะอาจารย์ แต่ยังไม่ว่าอะไรมากกว่าพะกว่าเขาเข า, เขาที่จะทําเขาทําได้เขาทไขาทได้ท่านนิกวท่านแล้วมันก็ใช่ฝึกสอนไปให้เขาพัฒนาไปที่จะได้เถื่อน้อยคนบางค น, นเหมือนเต่าจริงๆมันต้องมาค่อยไปที่จะก้าวสติปัญญามันมันบันเทิงมันใจต้อใจเย็นๆอ่ะงั้นก็ยอมยมก็ต้องเอาเขาไว้เป็น เป็นเครื่องข้อสอบด้วยเป็นข้อสอบใช่คะ่ะ ส, อสอเราต้องทดสอบด้วยว่าเรา <c oughs> เราผ่านไหมยิบทุกวันออโอเคค่ะอาจารย์วันนี้ก็มีเท่านี้ค่ะหนูก็ยังเป็นได้อยู่ขั้นฐานแล้วก็เวลาฟังฟังว่าอาจารย์นี่ก็ขอได้นั่งบ้างแต่ว่าถ้าปกติก็ โอมันก็โอ้ยคนนีมน้มันแรงนะเพราะจานยอมทำที่แดนจงกองไว้หลังบ้านยี่สิบเก้าหาที่ว่าตัวเองจะต้องนั่งตรงไหนแต่ติดอะไรรู้ไหมคะว่าจันติดว่าไม่มีมุ้งแค่หลังเดียวที่ยอมจะนั่งแล้วก็มันเป็นข้ออ้างที่ยอมไม่ได้นั่งเพราะว่านี่ค่ะว่าจันก็มุ้งมันหา ย, ยากที่ไหนหระนั่นแหะคะ่ะ กดเสื้ออย่างเงี้ได้กดเสื้อมุ้งนี่จะม่นอนไม่นอนยัไม่ได้ยมก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงดีหนึ่งแล้วก็ขำตัวเองเหมือนกันว่าเอะอย่างนี้เรากิดหละชนะตลอดเลยยมก็มองแล้วโอ๊ยทำเสร็ยังไม่อยากนั่งยังไม่อยากนั่งจริงๆถ้าอยากนั่งจริงๆก็ไปหาเสื้อมุ้งมาได้ไม่อยากไหมค่ะพระอาจารย์ยมก็ว่าอย่างนั้นแหละยมก็ว่าอะเอาชนะไปก่อนเดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งรออีกแป๊บ ใ<ห>นเวลาก็คามพยายามอยู่ที่นั่นคะวามสำเร็จอย่ที่นั่นทราบไปค่ะพระอาจารย์อันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะอย่าทราบถึงจับสายทิศต่อจับสายทิศเขิกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้อยู่ขันแก่นค่ะรายงานพระอาจารย์ก่อน<ม>เออยังยังคือสินแปดอยู่ค่ะพระอาจารย์ มีบั น, นึงหิวข้าวเกือบตะบะแตกค่ะคิดในใจเอ๊ะักวันไหมนะก็เลยเอออย่าเลยค่ะแล้วก็พวกยาสับผมอะไรต่างๆคนมาให้ที่บ้านหมดแล้วค่ะพระอาจารย์ไม่ใช้แล้วใช้แชมบูค<ช>่ใ<ช>ะใช้ส ช, ชูู่อาเจ็โซ่ของคุณพ่อเอาไว้กาจะตัดผมสั้นลงไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าเป็นคนหัวฟูค่ะพระอาจารย์ถ้าผมตรงน่าจะตัดแล้วค่ะถ้า ออผมมันฟูแล้วถ้าตัดกลัวมันจะบังคนอื่นก็เลยเอาไว้มัดแล้วก็รวบค่ะคระอย่ไปอ้ามอย่าไปอ้ามอ่านี้นฟูฟูนะคะพระอาจารย์ถ้ามันสั้นมันถ้ามันสั้นๆันเลยฟูได้ไงมันจะเป็นเปรี้ยวไปเลยนะคะพระอาจารย์ผมสั้นค่ะอ่า วันนั้นฟังทำพระอาจารย์แล้วแล้วเราได้ข้อคิดเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ว่าชีวิตเราก็เหมือนเหมือนฝันฝันลืมตาฝันปิดตาอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm. เราก็เออถ้ามันฝันถือวเราฝันตอนที่เราเราเราเร า, เราหลับตาเรากลับมาเราก็ไม่ได้อะไรตอนนี้เราลืมตาเดี๋ยวเราก็กลับไปก็ไม่ได้อะไรมันก็เลยรู้สึกก็รู้สึกวางได้เยอะมากขึ้นเข้าไปอีกค่ะพระอาจารย์ มันอะไรก็ไม่ใช่ของเราแล้วก็หลับไปเดี๋ยวแล้วก็หลับมาค่ะแล้วก็ช่วงนี้ฝึกสติมากขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็ไม่ค่อยฝึกไม่ค่อยคิดอะไรเท่าไหร่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่ารู้แล้วว่าคิดไปก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ก็นิ่งๆค่ะพระอาจารย์ไม่ค่อยคิดอะไรต่อค่ะก็ก็รู้สึกสุขสบายมากขึ้นค่ะพระอาจารย์ ส่วนั่งสมาธิก็ตอนที่นั่งไม่เจ็บนะคะพระอาจารย์แต่ว่าพอพอเราออกจากนั่งสมาธิคือคือมันเหมือนไม่ใช่ขาเราค่ะพระอาจารย์มันแบบมันแบบมันมันมันขาทอนท้ายแล้วก็คืนมาไม่ได้ต้องรอเวลาด้วยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมคะก็มันไม่ใช่เราใช่ไ่มต้องรอต้องรอใหมันคําคำสั่งขอเรา อันนี้เป็นเร่องนับคำสั่งถ้าลองลองไปเหมือนอํา ม, มาเพึ่งกันมาบ้าเลยค่ะพระอาจารย์ขาข้างหนึ่งบอว่าแงะงี้อย่างนี้แล้วก็แต่มันคืนคือเพราะพระบอกว่าเอาคืนอนที่มันก็จะอย่างนี้เลยค่ะพระอาจารย์มันไม่ใช่ของเราเราก็เออแต่ว่าตอนนั่งตอนนี้ไม่ไม่มีความปวดอะไรเลยค่ะมีแต่ตอนออกมาแล้วมันค่อยค่อยค่อยค่อยชาค่อยๆเหน็บชาตอนที่มันจะจะหายค่ะก็เลยเออแปลกดี แล้วก็นั่งก็ตอนนี้สติสตินัสจดีขึ้นอยู่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเราไม่ค่อยไปยุ่งอะไรใจก็นิ่งใช่ถ้าสตินี้นั่งสมาธิมันก็จะสงบได้นะมันจะไม่เจ็บอืมค่ะแต่ก็สติก็ก็ไอสมาธิก็ยังอยู่ระดับแค่แคต่ตื้นที่เห็นลมหายใจเบาๆแค่นั้นค่ะพระอาจารย์ อ, อย่างนี้ลาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเริ่มเข้าไปเรื่อยๆค่ะ ทีนี้มีข้อสงสัยค่ะพระอาจารย์ว่าอย่างพระที่ท่านปฏิบัติคือก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะท่านก็นั่งทั้งวันท่านไม่คิดอะไรทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วมการใช้ชีวิตในแต่ละวันของของผู้ที่ปฏิบัตินี้เป็นยังไงค่ะพระอาจารย์เแบบแบบราแอบสงสัยว่าไม่คิดเลยหรือว่ายังไงค่ะพระอาจารย์แล้วแต่สติของแต่ละคนนี่ว่าควบคุมกันได้มากน้อยขึ้นไป เพภาะพระไม่มีคำจะมันจะต้องคิดอะไรก็คิดชค่นอนเวลาเวลาไปเวลาไปบินธบากเวลาไหนอะไรก็ให้คิดแค่รู้เท่านั้นพอถึงเวลาก็ไปเป็นธามบากเวลาบินธามบากก็ไม่ต้องคิดอะไคิดแต่เปิดบากปิดฟ้าบากอะไรไม่ไม่มีอะไรต้องไม่ไม่มีอะไรต้องให้คิดก็คือก็ใช้ชีวิตต่อความสงบไปเรื่อยใช่ไหมคะเบื้องต้นก็ฝึกสติก็คงหยุดความคิดให้ได้ครับ อ <S <S เข้าสมาธิได้นะดำเนินการสมราธิแล้วที่สอนให้คิดไปถัไตรลักษแบบนี้เห็นอะไรก็วางเป็นไตรลักไปเห็นโลกเสียงโูกเสียงจิตลักษณ์บบตับบตถะก็บบตตไตร ล, ลักอข้าวของเงินทองอะไรสิ่งบุคคลอะไรต่างๆก็เป็นตรักเป็นไม่เที่ยงคิดอยู่แต่ในในในกรอบของตรลักอย่างนี้ก็คือ ก็คือพยายามตอนแรกก็คือไม่มีสติเพื่อที่จะไม่คิดก่อนแต่ถ้าคิดให้คิดอยู่ในในใจลักไม่ไม่คิดออกไปมากกว่านั้นไม่คิดอย่าไม่คิดไม่คิดว่าจะไปเที่ยวที่ไหนไปไปกินอะไรดีอะไรไปหาลูกเส็งดีนัดชนิดไหนดีที่ไหนดีอะไรไม่ไม่ไม่ไม่ไป อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าตอนแรกเอ๊แล้องไม่คิดทั้งวันแล้วก็นั่งแต่สมาธิแล้วมันจะยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่จริงท่านสงบสถทั้งวันไม่คิดนั่งสมาธิทั้งวันก็สงบก็สงบทั้งวันก็อยู่ตัวความสงบอย่างมีความได้เรื่อยๆสงบทั้งวันเลยดีกว่าวุ่นวายทั้งวันยังไงจะดีกว่ากันะสงบทั้งวันดีกว่าอ่แตที่ให้หยุดคิดเพื่อจะได้สงบเมื่อสงบแล้วก็มีความสุขก็ไม่ต้อง มันก็ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องยี่งกัรอะไรมันเกิดความอิ่มความพอขึ้นมาในใจอืก็อยู่กับตัวเองไปได้เรื่อยๆข้าวก็ไม่หิวถึงเวลาเย็นก็ไม่กินไม่หิวถือเสียงได้เย็นเพียงเดียวได้ไม่เหนื่อยนอนรูกเสียงกินแล้วก็ไม่หิวออยูทูบก็ไม่หิวอะไรก็ไม่เหิว<ร>ใจ<ช>สงบ ค่ะงั้นต้องยังฝึกไปเรื่อยๆอีกเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ยังคิดถึงขนมอะไรจะเช้าห <laughs> ิวแล้วนะที่ถึงขนมที่ถึงเวลามันออกมาจากร่างกายแล้วเป็นเป็นอะไรไปแล้วเ ข, ข้าไปเข้าไปเป็นขนมแล้วออกมาเป็นอะไรไปแล้วเป็นอาหารเก่าไปล้ค่ะตอนนี้ก็มีมีแบบวางแผนได้นะคะพระอาจารย์ <laughs> อยากกินขนมวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะกิน <laughs> แล้ว่ากินข้าวมันก็เต็มท้องแล้วก็โอ้ยกินไว้ได้แล้วแล้วก็ เหมือนแบบแต่ว่าพอไปกินจริงๆมันก็ไม่อร่อยเหมือนเดิมแล้วค่ะพระอาจารย์เหมือนแบบแล้วก็เริ่มรู้แล้วค่ะว่ากินยังไงก็ได้กินกินไม่ต้องกินไม่ต้องอยาไปอยู่กินบางวัเราก็อยากเอร้านนี้เคยอร่อยขับรถผ่านนั้นไปกินซิค่าไม่มันก็ไม่อร่อยแล้วแฮ่อะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์กลับไปกินธรรมดาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะค่อยๆดีขึ้นค่ะพระอาจารย์แล้วก็จะปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะ โอเคสาธุบ๊ายบใช่ไหมสวัสดีคคุณหมอน้าท้วงต่อจากต่อทางเรายังไม่เริกงานแล้วหมอแต่เลิกแล้ว่เล่นไทยครับแต่ว่าปีนี้กลับมาถึงจกบสองทุ่มก็เลยเข้ามาเลยครับนะครับพอเดี๋ยววันศุกร์เสาร์ทิตนี้เข้าไปปฏิบัติครับโอดีครับบ๊ายบอยไปนะก็พยายามมาให้เยอะสิดครับนะครับ มัน <Okay. S 2> ไม่มีคำถา ม, มรครับะนะครับมา ฟ, ฟังฟังฟังด่ลมเดินทางทันอื่นก็ได้ได้ข้อคิดเอาไปปฏิบัติได้ใช่ยอยู่ครับนะครับอานะการสามสิบสองบางทีก็เอามาใช้ที่ที่อาจารย์นแนะนําท่านปฏิบัติอาทิตย์ก่อนก็ตัดีครับเพราะว่าบางทีพูดโทแล้วอ่าดูลมแล้วไม่ไม่หลงบางทีก็บางทีใจมันทํางานมาทั้งวันมันคิดอย่างตัวอาการสาสองมันก็มันก็ใช้ใช้ได้อยู่ครับนะ ่งเป็นหมอด้ยนะฮหมอก็มีเกี่ยวข้องกับคนไข้ทุกวันเกี่ยวข้องกับร่างกายทุกวนนะใช่ครับใช่ครับอะก็พอยนึกภาพไปตามตามอาการนึกตามไปได้ครับมาได้ทั้ได้ทั้งอาสทได้ทััครับได้ทั้งปัญญาได้ทํ้สติครับครับอาการสั้งสองนี่ดี่าครับ แต่คนต้องมีจิตใจที่กล้าอ่านเข้มแข็งได้นะครับถ้าคนที่ใจอ่อน เ, เราไม่กล้าคิดจะนาการทางนี้สองครับผมก็การดูโฮมิงก็จะติดพวกเอายังมีพวกความสวยความงามอะไรทั้งหลายก็เอามาใช้ตรงมุมนี้ได้ครับอความตายนี้ไม่ค่อยขโมนมากหรอกไปติดในพวกไอตัวไอความไอ อ, อย่างนี้อยู่ครับก็ได้ทั้งสองทางครับได้ทารานั่งติดได้ทั้ง เห็นความเป็นจริงแล้วก็ได้ทั้งราคาด้วยครับครับผม เ, นะ เ, เดี๋ยววันศุกร์เข้าไปครับใอ่คุณซัน น, น, น, นี่ชันนี้มาทำกกล่าวมาสัการ์ดอาจารย์ค่ ะ, ะมีอะไรไหมตอนนี้อ่า หนูจะวันนี้จะมาขออนุญาตอาจยขออนุญาตพระอาจารย์ค่ะเีเ่พอดีว่าคือเรื่องมีอยู่ว่าตอนแรกค่ะคุยกับคุณแม่เรื่องเกี่ยวกับที่เวลาเขาส่งส่งไลน์สวัสดีตอนเช้าค่ะพระอาจารย์แล้วทีนี้หนูก็เลยมีไอเดียตอนที่ฟังฟังธรรมะจากพระอาจารย์เรื่องออธรรมทานนะคะว่าการให้ทำเป็นทานเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องเป็นบุญแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะก็เลยส่วนคุณแม่ว่าที่คุณแม่ส่งลายตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าที่เป็นดอกไม้อ่ะค่ะให้ลองเปลี่ยนมาเป็นครมะของพระอาจารย์ดีไม้แล้วก็อาจจะเพิ่มคําว่าสวัสดีวันจันทร์วันอังคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์คุณแม่ก็คุณแม่ก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็หนูก็เลยลองลองทําให้คุณแม่ให้คุณแม่ส่งอ่ะค่ะก็ก็คุณแม่ก็ชอบค่ะแล้วก็ ได้อ่านธรรมะของพระอาจารย์ทุกวันด้วยอะคะ่ะหนู ก, ก็เลยจะมาขออนุญาตพระอาจารย์เอาไปาให้คุณแม่ส่งเอ า, เ, อ า, เ, อาเป็นเป็นธรรมะที่ในเฟซบุ๊กของพระอาจารย์นะคะต้องขออนุญาตแอดมินที่ทำด้วยนะคะอ๋อไม่เป็นไรแชร์ได้กันทุกอย่าง ท, ท, ที่ที่ปรากฏในเฟซเนไม่ได้สมนในิยิเกษตรใครเราไปแชร์แจกใใครแบ่งให้กับใครได้ ขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์หนูก็พยายามทำให้คุณแม่ทุกวันตอนเช้าค่ะออแทนแทนแทนลูกดอกไม้ทแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างจะได้มีแบบว่าหลากหลายอะไรเงี้ยค่ะได้ธรรมะด้วยได้ถูกต้องมีสารบประโยชน์มากกว่าดอกไม้ดอกไม้นี่ก็เป็นการมฉัทนทะด้วยเป็นกิเลสด้วยค่ะก็ดีค่ะคุณแม่ก็แบบ แต่เหมือนคุณแม่ได้อ่านธรรมะมากขึ้นเพราะว่าปกติคุณแม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ค่อยชอบฟังธรรมะยาวๆเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าของพอาจารย์เป็นข้อสั้นๆก็ได้อ่านมากขึ้นใช่เดี๋ยวที่ลูกเสร็จเข้าแล้ว่าคนชอบสั้นๆก็เลยพยายามหาคำพูดสั้นๆมาม า, มาโพสต์้อ่านดีมากเลยค่ะพระอาจารย์ต้องขอบคุณแอดมินทุกท่านที่ทําแล้วก็ขอบคุณพระอาจารย์ด้วยนะคะแต่หนูไม่เอ่อไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์มาขออนุญาตพระอาจารย์เสร็จ ได้ไม่ต้องขออนุ ญ, ญาตนะครับเป็นของที่เป็นสาธารณะไปอย่างเดียวไปแชร์ได้เพียงแต่ห้ามทำนายขานเก็นสินค้าท่านี้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่ไม่ต้องบออนยญาตนะตามสบายเลยค่ะคุณบาลีตาคุณบาลีคุงเทพกคุงรัตภวการหลวงพ่อค่ะเรก็ยังปฏิบัติทุกวันหลวงพ่อ พรุนี้หนูจะมาดูที่ใจตัวเองค่ะหลว่อกับสิ่งที่มากระทบจิตใจแล้วว่าจิตใจเราเป็นยังไงอะค่ะแล้วหนูก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเหมือนเหมือนแบบมันมันเป็นไปได้ยังไงมันคิดไปได้ยังไงประมาณนี้ค่ะหลงพ่อคือมันก็จะมีทั้งบุคคลทั้งมีทั้งเหตุ ก, การณ์ที่เขากระทำ ที่รุนแรงต่อเราทั้งเออคําพูดกจตาอาการทุกอย่างเลยค่ะลวพ่อแต่แต่หนูยังสงบได้ค่ะลวพ่ อ, อ, อแล้วแล้วมันมีความรู้สึกว่าค่ะใจเราเหมือนมันมีสติฉุดให้ให้นึกว่าถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนเนี่ยหนูจะนิ่งไม่ได้จะทนไม่ได้คือหนูจะต้องสวนจะต้องตอบกับทุกอย่างแล้วแต่มันมีตัวหนึ่งเหมือนให้เรา หยุดแล้วก็นิ่งแล้วก็สงบแล้วก็ทําทําอาการกริยาของเราเนี่ยโดยโดยปกติแล้วใจมันมันมีความสุขมันบอกไม่ถูกเลยค่ะหลวงพ่อมันเบาแล้วมันสุขใจมากเลยค่ะหลวงพ่อแล้วมันเบลเบคขาเบลเบคขาไงค่ะมันเห็นความเปลี่ยนแปลงหนูหนูบอกมันมันมันเหมือนมันคิดกันเลยค่ะหลวงพ่อรู้สึกมันสบายใจ แล้วก็มามีคําถามเอ้มันทําเราทําได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อซึ่งแต่ก่อนน่ะมันฝืนสืนมากๆเลยค่ะหลวงพ่อตรงเนี้ยแล้วนักสมาธิมากแนักสมาธิมาก <c> ค <oughs> ่ะหลวงพ่อแล้วแล้วมันก็มีสิ่งมาให้เราคิดว่าอันนั้นน่ะมันเป็นสิทธิ์ของคนที่เขาจะกระทาไม่ว่าเขาจะทําดีหรือไม่ดีต่อเรานั่นเป็นเรื่องของเขาแต่แต่จิตใจหนูจะต้องดีจะต้องใส่ คือหนูจะพยายามคิดแบบเนี้ยแล้วมันก็เหมือนแบบมันหลุดเลยค่ะหลวงพ่อมันสบายใจมันไม่ได้ไปทุกข์อะไรเลยค่ะหลวงพ่อคือใจมันเห็นเห็นนะคะหลวงพ่อแล้วมันก็สบายใจเป็นมันโยนหน้าบนใบบัวใช่ใช่ค่ะหลวงพ่อสำบันรับรู้แต่ไม่มีอารมณ์กับสิ่งที่เราบันรับรู้ใช่ค่ะแล้วแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องดีก็มีเข้ามาค่ะหลวงพ่อคือ เหมือนถ้ามีคนมาขอให้เราช่วยเหลืออะไรเงี้ยขนม่อดหนูก็ยินดีพอช่วยเขาได้เราก็มีความสุขอย่างเงี้ยขนมทอดมันสบายใจค่ะแล้วเราก็กลับมาทํางานปกติหรือว่าพอผ่านมาเราก็ไม่ได้คิดว่าเราไปมีบุญมีคุณอะไรกับใครทั้งนั้นก็คือกลางๆอย่างเงี้ยขนพทอดหนูจะพยายามตรวจใจ ต, ตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันมีความเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนมันรู้สึกมัน มันสว่างขึ้นนะคะหลวงพ่อหนูอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะหลวงพ่อก็เหระมันถูกท่าเพรามันสว่างมันเบามันเย็นมันสุขเพระจากก<ส>ารที่เราเป็นความสงบเป็นพื้นฐานของจิตใจมีโอเบ ค, คาเป็นพื้นฐานแต่เราก็สามารถใช้เมตตากรุณาหรือบุญตากับผู้อื่นได้แล้วแต่กรณีที่จะที่จะลองใช้แล้วเราก็ใช้สามตัวนี้ เราไม่ต้องใช้แล้วก็ใช้โมเบิร์ค่าเฉยๆไปค่ะแล้วแล้ ว, ลวมันมันมันมีอีกอย่างค่ะหลังพ่อคือพอจบหมดธุระที่เราจะต้องไปติดต่อหรือว่าไปอะไรกับใครก็จะเหมือนกลับมาอยู่ในโลกของเราอย่างนี้ค่ะหลวงพ่อก็จะมาอยู่กับสมาธิ อยู่กับปฏิบัติฟั้งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพราะถ้าเราไม่ได้ทํางานอะไรเงี้ยก็คือจะเปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนชีวิตไปแบบนี้ใไหมเรามีที่เพื่องอมีสานะคือธรรมะอ ม, มีธรรมังสารนะชัญช่เป็นที่หนึ่งที่อยู่ของเราเครื่องอยู่ของเราเมื่อการตั้งอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอย่างนี้เราเปลี่ยนแทนรูปเสียงกลิ่นรสมาอยู่กับธรรมะอยู่กับกสงไม่รอดแทกธรามชนะิรอดทำบวญ ค่ะไม่ได้ไปเดินห้างไม่ได้ไปดูหนังไม่ได้ไปเที่ยวกลาคืนไม่ไม่มีเลยค่ะหลวงพ่อทีวีละครหนูก็ไม่ได้ไม่ได้ ไ, ดไม่ได้ไปเปิดเลยโอรทัศน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันมันเปลี่ยนไปเลยอะค่ะหลวงพ่อ ด, ดนะีแล้วแหละมาทุกทางแล้วอ่ะแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงสมาธิอะมันก็ยังมันก็ยังรวมอยู่มัน ไม่เลือกเวลาเหมือนเดิมนะค่ะหลวงพ่อ <chewy. S 1> มันก็จะเข้ามันก็จะดึงรวมอยู่แบบเนี้ยใช่มันจะรวมเมื่อไหร่ถ้าปล่ายมันโยนไปถ้ามัไม่รวมมันต้องนั่งแล้วก็ให้มันรวมค่ะหลวงพ่ออย่างิ้งสมาธิสมาธิทิ้งไม่ได้การหยุดเป็นถ้าบ้างเนี้ยมันเสื่อมได้นะค่ะหลวงพ่อแหนูหนูหนูไม่หยุดค่ะหลวงพ่อความหมายของนูคือว่า คือขาดไม่ได้ในสักก็วันหนึ่งอย่างเนี้ค่ะหลวงพอมันมันต้องปฏิบัติตลอดค่ะหลวงพอแล้วบางทีอย่างเหมือนมันกลายเป็นชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าเราเดินไปทําอะไรเนี่ยมันมันจะเหมือนตรวจอยู่ในใจอยู่ตลอดอต่มันจะนันลึกอยู่ตลอดอย่างเนี้ยค่ะหลวงอืมเต่อไปก็ใช้ตายร้างได้แล้วพิจารณาไปนะเนยเห็นหน้าร้ายก็ว่าเป็นตายร้าไปเอะห่ออ่าตอนนี้ หนูรายงานประมาณนี้ย่ะหลวงพ่อโอเคขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะใช้ใจรักบ้างเปล่าก็พิจารณาอยู่อยู่ด้วยค่ะเพราะถ้าเราได้แต่สมาธิเราไม่เป็นทำใจรักก็ถือว่าติดสมาธิอย่างเดียวต้องต้องแบบงมาทำาจรักบ้างอะตนนี้ถ้าเราสมาธิเรามั่นคงนะมันเข้าของมันเองได้แล้วนี่เราก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างนั้นมากสลับมันทาได้ สมาธิขึ้นหนึ่งปัญญาขึ้นตายรับขึ้นหลจะนําไปปฏิบัติทางหลวงพ่อมันจะยิ่งมันนี่จะสงบมากดึ้นถ้าชายตายรับทางหลวงพ่อโอเคจับการรู้จักขอบคุณหลวงพ่อค่ะแปลว่าอะไรศรีราชาจับนมัสการเจ้าขาพระอาจารย์หนูจะแจ้งพระอาจารย์ว่า ตอนนี้ค่หนูหาที่นั่งสมาธิอีกมุมหนึ่งในวัดได้นะคะจะตรงข้างๆกับร่มไม้กับพระบรมพระบรมธาตุค่ะก่อนที่ไปฟังธรรมพระอาจารย์นะคะก็จะนั่งตรงนั้นเราก็รู้สึกว่าเย็นค่ะเคยเคยอยากรู้ว่าค่ะว่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระที่นั่งนั่งนั่งใต้มาใต้ร่มไม้ะคะ่ะเป็นยังไงก็เลยลองไปนั่งดู mm hmm. ชอบเสร็จแล้วก็ก็มา อย่างที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าลองใช้อัญญาดูบ้างหนูก็หนูก็มันเริ่มรู้ว่าเมื่อก่อนที่หนูเข้ามาฟังทำพระอาจารย์ก็มีแต่ปัญหากับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยหนูก็เริ่มมารู้ว่าคนที่ร้ายกาที่สุดก็คือตัวหนูความคิดหนูความอยากของหนูเองค่ะก็พอเขาคิดได้หนูก็หนูก็หนูก็เหมือนที่พระอาจารย์บอกว่าต้องมีสติเยอะๆแล้วก็พยายามทําตัวให้ให้ต่ําแล้วก็ใช้หลักสามยอดตอันนี้ก็ น่าจะกันบ้านน้อยลงค่ะเดี๋ยวทำให้มันให้มันมันอัตโนมัติไปทำไมค่ะขอถามพระอาจารย์นี้มืฐฐ่อพอดีหนึ่งเช่นเรื่องการถวายสังฆทานนะแป้งแป้งคาตัวเงนี้ค่ะอันนี้เราสามารถถวายได้ไหมคะเราไม่เคยใช้นะเราหัวนมันจะใช้ทไม<น>แต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเป็นผลเป็นผลนอะไรถ้าใช้เพื่อรักษาได้ แต่ถ้าใช้เพื่อความสุขสบายอาบน้ําเสร็จปั๊บต้องต้องทาแป้งกัหน่อยี่เพื่อให้มันสบายนี่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรแต่ถ้ามันเป็นโรคภยัยโรคโรคผุดเถื่อนอะไรมันคันอันนี้ต้องทาแป้งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องการรักษาได้แต่เรื่องเรื่องความความสุขความสบายนี่ไม่ไม่ควรใช้มันก็คือเป็นแป้งที่ไม่มีกลิ่นเหมือนเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะ ถือว่าจะไม่มีกลิ่นแต่มันใช้เพื่อให้มันสบายแล้วก็ไม่ควรใช้่ไหมใช้เพื่อรักษาโรคใช้ได้หนูก็จะมีปัญหาเหมือนกันก็คือย่างเช่นสิ่แปดเนี้ยคะ่ะหนูก็จะใช้แป้งแต่ว่าหนูใช้เพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องของผิวมันสีกันอะไรเงี้ยแล้วแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการรักษาก็ได้ถ้าเป็นการเพื่อให้มันสบายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ย สบายจากการได้ถามแป้งก็อย่าอย่าไปใช้มันค่ะใช่ค่ะมีมีแค่นี้ค่ะอาจารย <Okay. S 1> ์โอเคขอบคุณครับคุณหอสุทธาทเสนยังประทุณธานีไม่มีคำถามทุกาค่ะท่านอาจารย์ยังปฏิบัติอยู่นะปฏิบัติทุกวันโอเคดีม า, ากสาธุจอย ย้ายบ้านเาเลยจอยพัทยาบ้านใหม่บ้นใหม่ยินไหมคะได้ยินแล้วหนูหนูย้ายมาอยู่อีหลังนึงค่ะตอนนั้นตอนนั้นจะอยู่บ้านลงุงแล้วนี่หนูอยู่บ้านใหม่ตอนแรกหนูจะให้พราจารย์ไปพรหนูเหมือนขึ้นบ้านใหม่เพราะหนูไม่ได้ทำอะไรเออไม่ได้อยู่ที่บ้านเราที่เราอยู่ที่ตัวเราเราทำด <c oughs> ี <c oughs> ที่อยู่ที่ไหนก็ดีนะะ ค่ะเราทำไม่ดีอยู่นัมันก็ไม่ดีนะนะที่ตัวเราดีช่วยอยูที่ตัวเราไม่ได้่อยู่ที่สถานที่ค่ะแต่อย่างคนอื่นเขาทำกันหนูก็สงสัยว่ามันจําเป็นต้องทําหรือเปล่าแล้วแต่ใครเขาไม่เขาไม่มีธรรมะเขาเลยทําไปตามความเชื่อของเขาเชื่อบานลาเชื่อตามบางลาโดยไม่ไม่มีไม่มีเห็นมีผลนองรับในความเชื่อ ใช่หนูก็โตมาก็เห็นเขาทํากันแล้วมันจําไปต้องทํำไหมเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าทำตามก็เราฟังทำแล้วทำทำมาองค์พระเจ้าสอนให้ทำหรือเปล่าไม่ง่ายทุกอย่างทุกอย่างคือมันไม่มันไม่มีจริงอยู่ที่ตัวเราเนาอยู่ที่การกระทําของเราทำดีได้ดีทําชื่วได้เชื่อนะค่ะเดี๋ยววันเสาร์วันพักไปใส่บาตรเหมือนเดิมโอเคดีสาธุดูยังขายของอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมขายอยู่ค่ะ ขายดีไหยก็ก็เรื่อยๆก็พอได้บ้างค่ะโอะค่ะคุณรับพิสูจ์ากสก้นนครใช่ไหมทำไม้ผิดกร่าวนามัสการพระอาจารย์ครับได้ยินไหมครับได้ยินครับพระอาจารย์ครับก็ก็ก็ตอนนี้ก็ทำสมาธิอยู่ก็ไปถึงตรงจุดที่ว่า ทำไปทำไปก็เห็นตัวปัญหาก็คือความคิดของตัวเองนั่นแหละที่มันเวลาภาวนาพุทโธน้นมันสายแสไปหาเรื่องตรงอื่นนะครับพระาอาจารย์ก็จิตก็คลายตร ง, งนั้นคลายตรงนั้นออกมาหน่อยนึงก็ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ว่าใช้สติกำกับลงไปในคำบริกรรมพุทโธนะครับพราอาจารย์เ พ, งเพ่งมองลงไปตรงนั้นนะครับพระาจารยก็ยัง S <S ก็ยังมีสายแสบอยู่มันยังไม่ยังไม่รวมลงครับอาจารย์สติยังน้อยอยู่สติกําลังน้อยครับครับแต่ว่าความวุ่นวายความรผสมปะสายต่างๆมันมันคลายออกไปเยอะอยู่ครับอาจารย์ครับต้องฝึกตั้งแต่เตื่นขึ้นมาเลยสติไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรามานั่งอย่างเดียวครับอาจารย์ครับตื่นตาขึ้นมาก็คุณโทรไปเลยถามน้ำน้ำหน้าแปบะบไปงบคุณโทรไปคุณโทรไป ความโคลนกวายในระหว่างนั่งมันหายไปเยอะแล้วครับอาจารย์เพราะมีสติมากขึ้นนะครับครับก็ก็อยู่ประมาณนี้<ต>ครับแต่ยังไม่ถึงเงานิ่งยังไม่ถึ ง, ง, งใช่ใช่ครับอาจารย์มันยังไม่นิ่งรวมลงไปถ้ามันมถ้ามันไม่สนใจเรื่องอื่นมันจ่อลงไปในคําบริกรรมพุทโธน่าน้าจะรวมลงไปไม่ครับอาจารย์ก็ถ้าจ่อได้ก็ดีไม่จ่อเนี <laughs> ่ครับก็อยู่ระหว่างการสะสมกําลังของจิตอยู่ครับอาจารย์ใช่ เราจอนนแลเรียนตาขึ้นมาตัองฝึกสติัแต่เรียนตาขึ้นมาโอเคครับอาจารย์กับรับทราบนะครับอาจารย์ัน้ครับครับอาจารย์สกอตช่ไหมครับสกอตคครับอาจารย์คนสุภาพรจากเท็กซัสเดลักักลาวนามสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ สัปดาห์ที่แล้วที่อาจารย์แนะนำคุณหมอวีให้แบบมองมองขนาดนั่งแล้วมองเป็นกระดูกไปอะไรเงี้ยเจ้าค่ะลูกก็เลยเอาเทคนิคนี้มามาลองบ้างมาดูตัวเองให้เป็นกระดูกรู้สึกจิตมันชอบอ่ะเจ้าค่ะก็ดีสนแสดงว่าถูกใจเราคิดคิดว่าน่าจะเจ้าค่ะเพราะว่าลูกก็แบบว่าลองลองหลายวิธีแต่ว่าก็ก็ เหมือนจิตมันไม่มันก็เหมือนกับมันฝืนนะเจ้าค่ะแต่พอมองตัวเองแบบเวลานั่งสมาธิแล้วก็นึกว่าตัวเองไล่ไปตั้งแต่แบบกะโลกจนถึงข้างล่างแบบเป็นกระดูหมดแล้วเจ้าค่ะรู้สึกจิตมันยิ้มอะเจ้าค่ะอะ่ก็ดีเจ้าค่ะความสุขกับมันก็ใช้ใช้ไม่ได้ใ ช, ใช้ใช้ของกระดูกเป็นกรรมฐานได้เจ้าค่ะตอนตอนแรกรกกู้ก็ กลัวเจ้าค่ะคิดว่าไม่น่าจะทําลูกก็เลยแบบแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพระอาจารย์แนะนําคุณหมอวีลูกก็เลยเออเอาเทคนิคนี้มาลองบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยเจ้าค่ะ<ม>ก็เลยแบบนั่งแล้วรู้สึกจิตมันจิตมันแบบพอมันจะไปพอเรากลับมานึกถึงก็โค้งกระดูกอีกก็วิ่งเข้ามาใหม่อะเจ้าค่ะมันเหมือนแบบ ม, มันเห็นชัดมากกว่าที่แบบบางทีพูดโทแล้วลูกหลุดอะเจ้าค่ะ<ม>แต่พอใช้กระดูกมันเห็นเห็นการดึงเข้ามามมได้ชั ด, ดเจ้าค่ะ เจ้าค่ะแล้วก็แล้วก็ลูกก็เลยเปลี่ยนเป็นว่าเวลาแบบเวลาอ่ประจําวันนะเจ้าค่ะแทนที่แบบลูกจะมองกายเฉยเฉยลูกก็เลยมองทะลุเป็นเป็นกระดูกใช่เจ้าค่ะการขณะทํางานก็คือมองให้มันลึกลงไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็เลยแบบเอ้ยมันมันมันนิ่งขึ้นน่ะเจ้าค่ะมันดีขึ้นนะเจ้าค่ะไ ด, ได้ได้พบกับกรรมทานที่สุด ก, กับเจเิญของเรา เจ้าค่ะก็รู้สึกว่าจิตมันมันมันมันเห็นอะไรชัดขึ้นคือมันเห็นเวลาไปแล้วเวลามาชัดขึ้นแล้วก็เห็นว่าความคิดอย่างที่ลูกเคยเห็นสังขารแต่ว่ามันมีความชัดขึ้นคือพอคิดปุ๊บเราต้องการจะทำปั๊บมันมันมีความแบบช่องของความแต่ละช่องอ่ะเจ้าค่ะมันเห็นชัดขึ้นอ่ะเจ้าค่ะลูกก็เลยแบบสติเเร็วขึ้น ลูกเลยเข้าใจคําว่าความเพียรก็ก็ตอนนี้เจ้าค่ะเพราะว่าถ้าลูกไม่มองเป็นโครงกระดูกมันจะไปเลยอะเจ้าค่ะมันก็จะแบบเห็นว่าไปอะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจความเพียรที่พระอาจารย์สอนว่าความเพียรคือไม่ใช่อยู่ที่แค่กระทำแต่ต้องแบบแบบพยายามจดจ่ออยู่กับลูกพยายามให้มองเห็นเป็น โงกระดูกก็เลื่อยๆ เ, เจ้าค่ ะ, ะมันถึงจะอยู่เจ้าค่ะพยายามดูทั้งวันแล้วมองใครนอกจากเราแล้วคนอื่นก็เหมือนกันดูโกงมาดึกเขา้าเจ้าค่ะเจ้าค่ะเดี๋ยวตอไปลูกอาจจะดูคนอื่นตอนนี้บอกว่าพยายามชดเชยกับตัวเอง <laughs> ตอนเจ้าค่ะใ่แลวอยู่ก <laughs> ็อยู่ก่างอยู่ร่างเราอยู่คนเดียวก็มอ ง, องเราเวลเจอใครก็มอเข้ามาเจ้าค่ะแต่ลูกยังมองได้แค่แบบบางทีแบบ บางทีแบบมองเป็นภาพทั้งหมดแล้วมันมันไม่ชาร์ลูกก็เลยบอกเวลาทําอะไรลูกมองกายก็มองแค่มือไปก่อนนะเจ้าค่ะว่ามือเป็นโครงกระดูกะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเดินก็เป็นขาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเป็นแต่ละส่วนไ ด, ได้นะเจ้าค่ะเจ้ค่ะก็ก็ดีใจ<笑><笑>ได้ได้จริตของตัวเองแล้วก็โอ้ยตาแล้วสามปีเ<ม>พิ่งรู้ว่าจริตเราคือโครงกระดูกนี่เจ้าค่ะเออ ฝึกต่อเจ้าค่ะพยายามจน ก, กว่าจะพบะดีพยายามเอาไปนั่งสมาธิันจิตดาจรวงได้ต่อไปเจ้าค่ะเห็นเห็นความนิ่งมากขึ้นเจ้าค่ะเห็นว่ามันยิ้มแล้วก็นิ่งนิ่งมากขึ้นเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วลูกจะฝึกต่อเจ้าค่ะขอบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะ, ะคุณเจสนาพรเพิ่งเข้ามาข้างหลังนี่มันอยู่ที่ไหน บายบายก่อนอันเรียกว่าเดี๋ยวมือซายโอเคค่ะกลับนมาสักการพัชจาร์ค่ะหนูเคยเข้ามาแล้วค่ะแต่ว่าฟังพัาจาร์อยู่ตลอดนะคะเังตลอดเพราะว่าพอดีว่าหนูมีลูกแล้วบางทีต้องพาลูกลูกนอนนะคะก็เลยไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เข้ามาก็จะมารายงานพัาจาร์เกี่ยวกับการปฏิบัติะคะ่ะก็คือ คือคือแต่ก่อนช่วงช่วงโควิดเนี่ยหนูก็จะเวิร์กฟอร์มโฮมก็จะได้ได้นั่งสมาธิอะไรบ่อยๆอะค่ะแต่พอตอนเนี้ยหนูทางานเต็มเวลาแล้วเป็นเป็นครค่ะก็ค่อนข้างจะเหมือนแบบกลับมาก็ต้องมาดูแลลูกด้วยอะค่ะก็เลยเหมือนแบบไม่ค่อยจะได้มีเวลาในการจเจริญแบบนั่งสมาธิอะค่ะแต่ก็จะหาเวลาหาโอกาสที่จะไปไปปีกวิเวกก็ก็ได้ไปที่เขามาครั้งหนึ่งแล้วอะค่ ะ, ค ะ, คะ ก็ก็ก็รู้สึกว่าก็สงบดีแต่ว่าก็คือเหมือนติดตรงที่ว่าเรามีลูกเราเราจะไปเราก็ต้องฝากลูกไว้กับคนอื่นบางทีเราก็ไม่สบายใจอะค่ะที่เหมือนแบบต้องฝากลูกไว้กับคนอื่นก็เลยเหมือนมีความคิดว่ามีความคิดว่าเราถ้าเราเหมือนแบบเปลี่ยนอาชีพอื่นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนปฏิบัติอยู่กับบ้านแล้วก็คือโอเคได้ไปรับไปส่งลูกปกติอะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้ก็มี มีความคิดแบบนั้นอยู่ว่าว่าอยากจะเหมือนว่ามีเวลาปฏิบัติมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นเดืดอดร้อนกับเราเงนี้ยคะ่ะพอาจารย์ก็ดีก็เป็นการพัฒนาอาเวลาให้กับตัวเราให้มากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็คือหนูจะเหมือนว่าเหมือนคือพอระลึกถึงความตายขึ้นมาเหมือนเหมือนมรณะนุสเ ต, เตียคะ่ะก็จะนึกว่าอุย้ยตายแล้วถ้าเราเราจะรอไปถึงเมื่อไหร่แล้วเราจะมีมีโอกาสไหมมันก็จะทําให้เราเหมือนว่ายิ่งคิดว่า เราต้องเราต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่บางบางอารมณ์ก็จะขึ้นมาอีกว่าเอะเราทําต่อไปก่อนอีกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเก็บเงินอีกสักหน่อยดีไหมแต่บางทีเราก็คิดว่ามันจะมีเวลาถึงวันนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่คือคือตอนนี้หนูก็คือพอจะถ้าเหมือนว่าเหมือนที่บาอาจารย์สอนนะคะ่ะก็คือเรามีความพอเพียงหนูก็คิดว่าหนูอยู่ได้เนี้ยค่ะเวล า, าสติกะะับตาสติสําคัญกว่าเอาเวลา<ฆ>มาสติด้วยปะ ตามไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องกังวลถ้ามีสติก็สตาร์มมาตามไม่เอะค่ะถูกก็เลยเหมือนว่ามีความเป้าหมายว่าปีหน้าค่ะอาจจะแบบว่าออกมาทําอย่างอื่นที่ที่ทําให้เรามีเวลาในการประจิตให้มากขึ้นค่ ะ, ะ, ะเพราะว่าอย่างไปทํางานจับมาเราก็อยากจะทํานะคะพรอาจารย์แต่แบบเราก็มีภาระหน้าที่เหนื่อยกับการงานด้วยแล้ว ก, วก็เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ อ, อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องวิเคาราะห์ต้องพิจารณาดู ค่ะโดยหลักก็คือพยายามเอาเวลามาให้กับการปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าเราเท่าที่เราจะทำได้ค่ะก็คือเดี๋ยวนี้ก็จะไม่ค่อยชอบไปเที่ยวไหนแต่แบบด้วยความที่เรามีลูกบางทีเราก็ต้องพาลูกไปเพราะว่าลูกยังเล็กนะคะแต่ว่าถ้าตัวเองก็ไม่ได้อยากไปไปเที่ยวไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าคือปฏิบัติตามแนวทางะจางก็รู้สึกว่าเรา พอเราลดความอยากอะทุกอย่างมันดีขึ้นไปหมดเลยค่ะความ <ừ. S 2> ปุ้งซ่านอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลดลงคือแต่ก่อนเราอยากเราจะคิดว่าเอ้เราจะหาอะไรทำเราจะได้มีไรายได้แต่เดี๋ยวนี้คือแบบไม่เอาแล้วเพราะว่าพอเราอยากเรื่องคิดมันก็จะไม่จบสะทีอะค่ะ <ừ. S 2> ก็คือแบบเรื่องใหม่ๆเราก็จะไม่เพิ่มขึ้นมาเลย <ừ. S 2> เอาเรื่องที่เรามีอยู่ค่ะใช่ถูกต้องค่ะก็เลยมากราบขอบคุณพระจานทร์ด้วยนะคะ ừ, ในคำสั่ การไม่ต well, ้องการวลเรื่องสตาค์มากให้ก uh ังวลเรื่องสตินี่มาเพราะถ้าเรามีสติแล้วใจแล้วอิ่มแล้วเราก็จะใช้สตาน้อยลงไปค่ะค่ะค่ะก็กับนมาสการอาจารย์ค่ะคุณสุภัธนาเชิญสุนาธนาบอกคุณตอนนี้ก็เอ มีเพียนสติมากขึ้นก็สังเกตว่าตัวเองมีสติมากขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังไม่ทันตอนที่เริ่มคิดจะจะคิดไปได้สักพักหนึ่งเราจะถึงจะกลับมารู้สึกตัวเจ้าค่ะครับแต่ว่าก็คือตอนที่ที่คิดไปตอนตอนที่คิดแล้วเรามารู้ว่าเราคิดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าใจใจมันหนักใจมันเหนื่อยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเวลาเราเรามีสติอยู่กับตัวเองเนี่ย มันไม่มันใจมันจะเบากระพอเวลาเราเรารู้ตัวว่าเราคิดไปแล้วเนี่ยพอกลับมาอยู่ที่ตัวเองเนี่ยมันเหมือนร่างกายกับใจมันมันหนักมากค่ะตอนนี้ก็พยายามมีสติมากๆแล้วก็พยายามนั่งสมาธิให้มากากับค่ะอาจารย์ดีมากตอนนี้เรียนเรื่องตรงนี้เอาสติกับสมาธิไปก่อนปัญญายไม่ต้องกาหนลนะเจค่ะ คิดบ้างก็ได้คิดบ้างก็ได้ตายรักไม่ช่วงไหนว่าก็คิดบ้างก็ได้กัรโดยหลักก้เอาสติก่อนเจ้าค่ะแล้วแล้วถ้าเผื่อว่าคิดบอกว่าเ อ, อจากการการที่จะหักตัวเองในเรื่องของการหยุดยากเนี่ยเราบอกว่าอย่าไปทําเลยหรืออย่าไปเอาเลยเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันนี้เป็นการได้ก็เป็<า>ยร<อ>ักนะเห็นเป็นตายรักไหมอั น, นิษฐาะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ก็เห็นเห็นในในสิ่งแวดล้อมของตัวเองเห็นความความเสื่อมความเก่าความความแก่บอกอย่างต้นไม้หรืออะไรเนี่ยให้มันเห็นเป็นว่ามันมีการเติบโตมาแล้วก็มีการการโตแล้วก็ตายนะให้ให้เราเห็นมันก็ต้นอย่างของย่มีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเจ้าค่ะมันมันเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นเจ้าค่ะอาจารย์อและ แม้แต่ตัวเองก็ก็ก็เห็นชัดขึ้นนะคะก็จารยังยังไม่รู้ว่าจะมีเวลาอยู่แค่ไหนก็กำลังวิ่งตามพระอาจารย์นะคะว่ารีบทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้แันนะแล้วก็เขากาวขอคุณพระอาจารย์ด้วย้ค่ะอย่าขาดทนุประเวศเท็กซัสเลัสเอานเชียนี่อก็ฟังอยู่ครับก็พอวัดีมันพอขออาจารย์ เปิดมันตอนเช้าพอดีกําลังนั่งทานกาแฟาอยู่ก็เลยนั่งฟังอยู่ก่อนเพราะมันช่วงเจ็ดโมงเช้ า, ชาตอนที่นี่ครนนับตอนนี้นะนก็จําสินอยู่ที่บ้านครับคนเดียวอีกสองเดือนครึ่งตอนนี้กี่โมงแลนะครับต อ, ตอนนี้ประมาณแปดโมงสี่ห้าครับผมแปดโมงสี่ห้าครับผ ม, ผมก็ไม่มีอะไรก็จะมาถามอันนึงครับว่าตอนนี้ก็จํำสินอยู่ที่บ้านสองเดือนครึ่งเพราะว่าแฟนไปอยู่ที่กรุงเทพไปไปอยู่กรุงไทย ก็สะบดีก็อยากรู้ว่าการที่เราปฏิบัติเนี่ยเรานึกถึงว่าหน้าที่กับการหวงสมบัติเนี่ยมันต่างกันยังไงครับผมยังแยกมันไม่ออกก็คือการของสมบัติก็คือการมีมากเกินกว่าที่เราจำเป็นจะต้องมีอือฮแล้ว huh. เราต้องพิจารณาดูว่าเราต้องการเท่าไหร่เราใช้เท่าไหร่ถ้ามันมีมากกว่านั้นก็เอาไว้จากนะฮะไปทํา อย่างนี้คือสมบัติในที่อันนั้นที่เป็นการความจําเป็นที่เราต้องมีถ้าเราเก็บไว้ล็แสดงว่าเราเห่วงแต่ของที่จําเป็นจะต้องมีเก็บไว้นี่มไม่ถือว่าห่วเพราะมันมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเลี้ปัดเลีเท้าเนงตัวเราเองอเข้าใจไหมมีมีแต่สิ่งที่พอที่พ่อกับเราพอออพออยู่พอจริงออืะ ครับก็อันนี้ก็ยังแยกแยกแยกอยู่ว่าเราควรจะทำไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเซตอัพไว้ก็เพื่อลูกหลานเพื่อลูกเราและครอบครัวเราเพราะว่าชีวิตเราก็คิดว่าดีพอควรในสถานที่เราอยู่ที่นี่แต่ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่เราก็ไม่ได้แยแสว่าเราจะต้องมายึดติดเวลาเราจะตา ย, อ, ยาอะไรเงี้ยมันก็ยั ง, ง, งยังไม่แน่นอนว่ายังไม่ถึงเวลา อย่าไปทุกข์กับมันกนะ็แล้วกัมก้มมีหน้าแอย่าไปทุกข์กับมันถ้าเกิดมันจะหายไปหมดไปลก็อย่าไปทุกข์กับมันก็ไม่มีอะไรครับก็แค่นี้กําลังคนเพราะพยายามทาแยกแยกตัวเองว่าเรากับพระผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาท่านทิ้งหมดทุกอย่างเราจะทิ้งได้หรือไม่อะไรอ่นี้ก็มาแยกแยะตัวเองว่าเราทาอะไรคุณจะทําอะไรในขณะที่ว่าเรายังมีลูกเราจะควรทําอะไรให้กับ ลูกในขณะที่เราจะไปอะไรเงั้ยก็คุยกับเขาเมื่อวานกับวันว่าสิ่งหนึามีคนเลี้ยงดูพามีคนเลี้ยงดูเลยไม่ต้องมีทัพย์สมบัติเข้าของนัินเท่าแา่ยมไม่มีใครเลี้ยงดูต้องเลี้นงดูตัวเองก็ต้องมีเงินเทเลียงดูตัวเองอ๋อครับอันนี้อันนี้กาลังแยกยัดตัวเองเพราะหลังจากปฏิบัติแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่พอเข้าใจแต่ว่าก็ฟังพระอาจารย์อยู่ว่า การแก้ไขตัวเองเราจะทำไงในเมื่อเราอายุสูงขึ้นแ ล, แล้วเจ็ดสิบกว่าแล้วเราก็ทุกอย่างเราก็มีพร้อมแล้วเราจะควรจะทำอะไรทาให้เราสบายใจเมื่อถึงเวลาที่เราต้องจากโลกนี้ไปก็ฏิ ต, ตคิดมากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นนครับก็ให้เ ร, เราสบายใจได้เออตึ้งเรื่องใจมันไม่มีปัญหาครับระหว่างลูกว่า ถึงเวลาเราต้องไปอยู่แล้วว่าเขาเขาก็ต้องสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เราให้การศึกษาเขาให้อะไรทุงอย่างเขาเรียบร้อยแล้วมีอะไรให้คุณงเรืออันนี้มันไม่ห่วงพญาก็ไม่ห่วงเพราะว่าเราก็ทำสิ่งแปดมาหลายปีแล้วเราก็อยู่คนละห้องเราก็สามารถปฏิบัติได้อ น, นี้มาถึงจุดสุดท้ายว่าถ้าเราจะต้องไปจากโลกนี้เราควรจะทําจิตเราจะต้องอยู่ในจุดไหนครับอาจารย์ม่งเปรียาในงานวังเฉยไป เฉยไปทุกอย่างเลยใช่ทุกอย่างทำใจเฉยเลยอะไรจะเกิดก็เกิดร่างกายจะดับก็ดับร่างกายจะเจ็บก็เจ็บก็ปลยมันเจ็บไปแล้วเฉยเฉยออันอันนั้นพยายามสู้หลายครั้งครับเพราะว่าอืทําให้ว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นของเราอันนี้เราไม่เฉยเราใช้พุทโธพุทโธช่วยอให้มันนิ่งทามันนิ่งแล้วมันก็จะเฉยได้ อ๋อไม่มีอะไรมากครับก็ขอบคุณพระอาจารย์ครับก็นั่งฟังอยู่ข้างหนอกตลอดเวลาก็เช้าเจ็ดโมงเช้าก็ยังไม่อยากเข้าไปรบกวนพระอาจาราย์ก็ยังนั่งทานกาแฟอยู่ก็เลยไม่อยากให้โดนครับก็นั่งฟังอยู่ข้างนอกแต่ว่าก็ติดตามพระอาจารย์ทุกๆครั้งครับทั้งเว็บไซต์แล้วก็ทั้งคุณหมอวีวันอาทิตย์ก็นั่งฟังกอนเช้าก่อนที่จะไปออกกําลังกายอะไรก็ขอบคุณพระอาจารย์ที่ให้เวลากับทุกสิทธิ์ลูกหาทั่วโลกนะครับก็ขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงครับผม จสาธุอ่าบันดีจันนี่นี่ามชื่อไทยลมไลชื่อไทวชื่อนะชื่อทัชรลีนะคะมันช่เล่นนะเลยอ๋อชื่อรลี่ค่ะบันดีค่ะบัดีค่ะก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรแม่จานย์เข้ามากราบแม่จานโอเคแต้องมาฟังมานะครักั๊มกั ก็อุกนแง่อยู่ที่ไหนยังไม่เปิดเปาดนะพูดได้ปิดอีกรับเปิดอะไรครับผ้าจา์อยู่กรุงเทพครับมีอะไรไหมก็ไม่มีพอดีวันนี้ขับรถไปแล้วได้ไปเปิดย t ท b e ฟังของะอาจารย์อย้อนหลังครับเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องสิ่งมหัศจรรย์นะครับัแล้วพ่าจารย์ได้ ไ ด, ได้เทศว่าถ้าเกิดเราจะปฏิบัตินะเราทำแค่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยถ้าเกิดไปฝากเงินเกี่ยบเทียบให้ฟังครับแล้วผมคิดว่าเออมันเป็นไปตามที่พระอาจารย์ได้เทศนะฮะแล้วเราลองคิดลองดูว่ามันถ้าเราถ้าในวันนี้เรายังไม่ทำอะไรเลยเราทำแค่ แค่ส่วนในึ่สิบของอยากได้ร้อยแต่เราทำแค่สิบเปอร์เซ็แล้วเราอยากขึ้นสวรรค์อะไรเงี้ยตามที่พระอาจารย์เทศอ่ก็คงไม่มีใครให้เราได้เพราะจากตัวเราเองครับก็เลยเนี่ยครับก็เลยมาแค่เข้ามากราบไปเฉยครับเป็นทางแรกที่เข้ามาอก็พยายามเอาไปปฏิบัติปฏิบัติให้มากขึ้นนะครับผลอยู่ที่การปฏิบัติของเราครับผมครับอขอให้พระอ า, <ฮ>าจารย์พลาดการแข่งแรกครับผม อ่าาค่ะคุณนีสาจากลอสแอนเจลิสเลเน้ำท่วมหมน้าที่ L.A ไน้ำที่ที่เอลเอไม่ท่วมค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าหนักทงแถวทางซันฟ a นซันตครูสตรงลองบีชก็หนักค่ะแต่ที่บ้านไม่ไม่ไม่ท่วมค่ะฝนตกหนักมากค่ะแย่เลยค่ะช่วปีนี้เอลเอโดนหลายลูกมานะใช่ค่ะเห็น ใช่ค่ะพระอาจารย์เห็นเห็นบอกว่าจะมาอีกลูกหนึ่งไม่ทราบ เ, เหมือ น, นออกันก็ก็ก็ดีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ดีไปฝนบ้างแต่ว่าเรา เ, เราใช่ค่ะกอ็อันอนาตาค่ะไม่สามารถที่ใช่ค่ะลูกก็ใช่ค่ะลูกก็คิดตลอดนะคะว่าเออพ่อดูข่าวก็จะมีแบบผงแบบ พวกพวกมัลตไลอะไรพวกนี้เราก็ต้องคิดแล้วก็คิดตลอดเวลาว่าเออถ้าเกิดมันเกิดขึ้นเราจะทำยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้อะไรไม่แน่นอนนะคะพระอาจารย์แล้วก็ดูว่าบ้านเรายอยู่ใกล้กับเขาเปล่าไม่ใกล้เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าบางทีก็อยากไม่ก็โชคดีไม่ใกล้เท่าไหร่แต่ว่าบางทีเราก็ไม่ทราบเหมือนกันบางทีเห็นเห็นฟีวงฟีเวก็อยู่ดีๆก็เป็นหลุมขึ้นมา ก็เลยแบบโอ้โหก็น hmm. ่ากลัวค mm ่ะพระอาจันเป็นนุมใหญ่นะใช่ใช่น่ากลัวแถวมาริบูอะไรเงี้ยก็ยิ่งคิดเลยเคยไปเคยออกกาลังกายเผยเคยไปขี่จักรยานแถวนั้นยิงคิดเลยโอ้โหตรงนั้นนี่เราเคยผ่านมานะเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดเป็นเขาถ้าเกิดตอนนั้นมันกลิ้งลงมาเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันก็ไม่แน่นอนค่ะพระจย์ก็พิจารณาตามตายอยู่เรื่อยก็ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้เจอบททดสอบเยอะเหมือนกันค่ะพระจารย์พอดีแบบ ก็มีแบบเกี่ยวกับร่างกายตัวเราเนี่ยแหละค่ะต้องไปเช็คอปไปทําไปเช็คอัปร่างกายแล้วก็คุณหมอก็แนะนำบอกว่าให้ให้ไปส่องแบบลําโคลอนนะคะ mm hmm. คือแบบเข้าไปสโค ข, ข้างในอไงค่ะ mm hmm. แต่ว่าก็ก็อเอาก็เอ า, เอ า, เอาลองดูแต่ว่ากลับมาก็คิดนิดนึงค่ะพรอาจารย์แต่จริงก็ไม่ได้ไม่ได้มีไม่ได้มีความเจ็บปวดอะไรแต่ว่าหมอเขาเขาก็เล่คอมเมนต์ว่าเออก็ ừ าอายุมากแล้วก็ลองสักครั้งหนึ่งมันก็ดีถ้าเกิดสมว่ารู้ตอนถ้าเกิดรู้ก่อนก็จะได้แก้ไขได้ก็หมอหมอก็ถามคุณหมอก็ถามว่าเอาไหมสนใจไหมก็คิดแบบก็ดีเหมือนกันลองดูค่ะพระอาจารย์ก็แต่ว่าก็กลับมาก็ติดกับเพื่อนนิดนึงค่ะพระอาจารย์เป็นบททดสอบค่ะ mm hmm. แต่ก็ใจก็คิดว่าก็ ก็อย่างดีก็ตายอ่ะก็ยังไงก็ตายก็ไม่เป็นไรหรอกก็ลองดูก็มีนิดหนึ่งค่ะอาจารย์วันหนึ่งค่ะแล้วก็เวลาตอนนี้นั่งสมาธิค่ะพระอาจารย์ใจก็คิดว่าบางทีมันถ้ามันไม่ถ้ามันไม่นิ่งคือถ้ามันไม่สงบก็ก็ช่างมันก็นั่งมันไปดูลมหายใจไปก็แล้วมันก็จะเกิดเวทนาบ้างอะค่ะพระอาจารย์ ทีนี้เนี่ยเวลามีเวทนาเคยฟังพระอาจารย์พูดว่ามันจึงมีสามกองกองหนึ่งกองสองกองสามอันนี้คือคือยังไงคะพระอาจารย์อ๋อมันเป็นคล้ายๆความความแรงยุ่งย้ของเวทนามันจะพิ่มเพิ่มขึ้นเป็นสามขั้นขั้นแรกขั้นแรงก็ขั้นน้อยขั้นที่สองขั้นกลางแะขั้นที่สามขั้นแรงสุดนี่ลูกยังไม่ผ่านขั้นผ่านขั้นหนึ่งไปพอขั้นที่สองนี่คือผ่านขั้นหนึ่งนี่ก็ แทบจะลุกมาเดินไม่ไหวแล้วค่ะพระอาจารย์ <Ừ. S 2> มันชาไปหมดเลยก็ให้มันพาเก้าทอดิไปให้ได้ก่อนนะไม่ต้องกังวลกับขั้นนี้ค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนำพระคำสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไปอะคะ่ะก็ต้องสร้างความเพียรมากๆค่ะอาจารย์ได้สติให้มากๆแล้วกันน่าจะเป็นตัวพาเราไปเองนะสติมีสําคัญมากที่สุดค่ะพระอาจารย์แต่ตอนนี้ลูกลูกมาจะเหมือนจะจะชอบ ดูลมหายใจมากกว่าพุโทโธ่ะค่ะพระอาจารย์ได้แท้ใช้ทนกันได้ค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วถ้าคือที่ผ่านมาแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีใจจะส่งออกนอกเยอะเพราะว่าต้องออกไปข้างนอกไปอะไรเงนี้ยค่ะพระอาจารย์คือบางทีก่อนที่เราจะเริ่มสมาธิมันจะแบบมันจะมีสิ่งที่มาวนอยู่ในหัวค่ะเราลูกสามารถคิดคือก็ยังก็เลยคิดว่าแบบก็คิดถึงเรื่องใจรักคิดถึงเออ ก็คิดว่าทําไมเราถึงแบบมีความฟุ้งซ่านวันนี้เราก็เลยคิดเรื่องว่าเออเพราะอันนี้เราไม่สามารถควบคุมได้ไปรักนะอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับคล้ายๆจะเป็ดวิปัสสนึกนิดนึงค่ะพระอาจารย์อันนี้ได้ใช่ไหมคะได้ก응็เลยปัญญาเอาลมสบายทีไงค่ะ <หา S 1> <ช>ไม่งั้นมันค่ะพระอาจารย์ไม่งั้นมันไม่แล้เราใช้สติเอามันไม่อยู่ก็ใช้ปัญญาพิจารณาตายรักไ ค่ะได้นะคะคือก่อนที่จะนั่งสมาธิะคะ่ะเพราะว่า ไ, ไม่งั้นมันเหมือนกับเราฟุ้งมากแล้วมันเอาไม่อยู่อคะ่ะพระอาจารย์ถ้าเราใช้ใจนักเป็นก็ใช้ใจรับไคือมันต้องคิดนะไม่งั้นมันไม่ค่มันไม่คิดนี่คือเหมือนติดมันจะไม่อยู่ะ ค, ะค่ะพร ะ, ะอาจารย์อ่ได้ค่ะค่ะพระอาจารย์ ก็ S <S <Okay. S 2> ตอนนี้ก็ค่ะไม่มีอะไรค่ะก็จะน้อมนําคําส่งสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติต่อไปค่ะกราบขอบคุณพระอาจารย์มากๆเลยค่ะทัที่ทําให้แบบชีวิตรู่แบบสามเดือนสี่เดือนที่ผ่านมาคือเปลี่ยนไปเยอะมากๆค่ะจากคนที่เคยแบบมีความอยากความโลภกิเลสเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ก็ตัดได้พอสมควรแต่ก็จะเหลืออย่างเดียวที่จะค่อนข้างยากที่มากก็คือการปล่อยวางร่างกายค่ะพระอาจารย์อันนี้คือแบบ เรื่องใหญ่แล้วไม่ใช่ตัวเราของเราค่ะพระอาจารย์ค่ะเราพิจารณาตัแต่ดูประวัติชอมนมาตั้งแต่ตอนที่มันเริ่มตอนมันยึดมันเป็นอะไรมาอย่างไรมันอาจจะทำให้าราไม่ไม่ยึดติดกับมันมันก้เริ่มจากน้ำสองหยดเท่านี้เองค่ะร่างกายนี้ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ก็ขอขอบคุณพระอาจารย์ค่ะกลาวกล่นามสการกล่าวขอบคุณทกุกคุณพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ สาธุค่ะก็จิตวิศัตน์ต่อบุก็ทําโมธรรมสการรับป้าจยนวันนี้ไม่มีคำถามครับมาร่วมรับฟังธรรมครับป้าจันโอเคเวลาจะข้นเขาไดครับเรียนเดี๋ยวหาดูวันกันครับา้าจันอยากไปอยู่ครับวันว่างกันครับ ไปที่กุชันิสาต่อชนิส า, าญี่ปุ่นแอนเคียเยนแมชานิสาถ้าไม่ได้ยินเดี๋ยวไปที่ไปที่พูดก่อนนะพูดรออยู่เป็นคนเชลิทอนเชลิทอนจากแมรี่แลนด์เซเวอร์ปริงการนมัสการพระจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมไม่มีค <ยก S 1> <ร>ําถามนะคะโยมเข้ามา ก็โยมปฏิบัติดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> คิดตัวเองหรือพอ่มีนใจนะคะพระอาจารย์แต่โยมอาทิตย์ที่ผ่านมายอมก็เจริญสติมากขึ้นนะคะ hmm. พอเจริญสขึ้นมันเข้าสมาธิได้ลึกขึ้นแล้วก็นานขึ้นมากอะคะ่ะ hmm. แล้วก็แล้วก็สงบนิ่งสุขสบายไ ม, ไม่ไม่มีอะไรเลยะคะ่ะรู้สึกว่า hmm. ตัวเองไม่มีอะไรให้กังวลใจไม่มีมันมันอยู่ได้ ไม่มีปัญหาใดๆเลยอะคะอ่ะอหมือาจะไม่มีเรื่องเวลาไม่มีข้อสอบมันก็เลยรู้สึกสบายหน่อยมันก็มีบทข้อสอบค่ะพระอาจารย์แต่แต่ยมก็รู้สึกว่ามันไม่มีค่าใดๆที่ควรจะไปให้ความสําคัญมันปล่อยวางได้นะปล่อยวางได้ไม่แปลกเหมือ<ค>นเนมื่อก่อนนี้ไม่ไม่เอาแล้วค่ะมืนอนอาจ <ๆ S 2> จะเป็นเพราะว่าเลือดกระทบมัน มันไม่ได้โดยตรงกับเรามันเป็นเรื่องที่เราคิดว่าเราน่าจะตัดออกไปได้ไม่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าเรื่องราวที่มากระทบมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะค่ะถ้าเป็นเรื่องใหญ่โตก็ต้องใช้เวลาในการพิจารณาแต่ว่าโยมเริ่มรู้สึกแล้วว่าปัญญา ย, ยมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องกลับมา <c oughs> เรื่อ ง, เ ร, องเรื่องใหญ่โตมันก็เหมือนกันนะทํามันก็ตายนักเหมือนกันคนะ่ะผศอาจารย์แต่ก็เท่าที่ผ่านมาก็อาทิตย์ที่ผ่านมาโยมก็รู้สึกว่าโยมปฏิบัติได้ดี ไม่อยากออกจากสมาธิเลยอะค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ทํางานอยู่ที่บ้านอยู่ค่ะค่ะพระอาจารย์ยังทํางานอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้ค่ะยมเห็นว่าจิบยังไม่เข้ามาเลยยมเลยเป็นตัวแทนเข้ามาก่อนยมเข้ามาช่วงแรกๆบ้านหนึ่งมันก็หายไปสงสัปรุมแน่เลยค่ะพระอาจารย์ก็เลยเข้ามาแกยมยองกับไปที่คุณัตยต่อครับทีมใหม่ ข้ามากราบนมัสการพระอาจารย์หนึ่งเดือนแครับมาปังครับพระอาจารย์ครับ <Okay. S 2> ปฏิบัติต่อเนื่องครับไม่ไม่ขาดครับพระอาจารย์จิ๊บเข้ามาพอดีเลยจิ๊บต่อเลยจิ๊บพนมัสการค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวนะคะพอดยมเข้ามาแล้วหลมยมก็หลุด uh, ออกไปอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อนเน็ตวันนี้ไม่ดียิวไปประชุมเนี่ย <c oughs> อ๋อยังค่ะวันนี้ยังไม่มียมก็แบบว่าโอเคดูแลเราเรายังไม่มี <c oughs> อาจารย์สบายดีนะคะสบายดีค่ะยมกับนรัติการมุทิตาจิตวันครูนะคะพอ า, าจารย์ขอบคุณอาจารย์รยรที่อบรมสั่งสอนแล้วก็เมตตาลูกศิษย์ทุกคนนะคะขอบคุณค่ ะ, คะแล้วค่ะก็ยมก็พยายามปฏิบัติแต่เหมือน น, อน้องน้ำโมบอกบางทีตื่นตื่นที่ฟ้าแล้วเสร็จแบบเอออีกนิดนึงหน่าอีกนิดนึงได้ไหมอีกนิด จะเป็นแบบพอมันหนาวแล้วมันเหมือนร่างกายถูกแช่แข็งไปด้วยเลยอาจารย์แบบยังว่าอยูดไม่ไหวเพราโหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามค่ะรอาจารย์ก็จะปฏิบัติให้เรื่อยๆนะคะรอาจารย์อค่ะพอาจารย์สบายดีนะคะสบายโลโลโลโสบายเลย รูกสบายดีค่ะเพิ่งกลับมาจากเล่นสกีกับพ่อเขาเมื่อเสาร์ตัน ท, ที่ผ่านมาก็แต่โยมไม่ได้ไปก็สบายดีค่ะ ค, ค่ะโยมยังไม่เห็นหิมะตกของรัฐโยมเลยครับระอาจารย์รัฐ อ, อืน่นเขาตกกันพวกภาพพวกภาพรัฐเยอรมันไม่เห็นเล ย, ยนั่นีิธรรมดานะตกทุกปีหรอปกติก็จะตกไปแบบ สองสามครั้งอะไรยเงี้ยค่ะแต่แ <มา S 2> ต่อตอนนี้ยังนี่มันเดือนมกราลแล้วก็ยังไม่ตกนะคะอาจจะแบบอาจจะเลดไปเดือนกุมภาพันธ์หรือเปล่าไม่แน่ใจคะ่ะค <c oughs> ่มีอะไรแน่นอนอนนี้จ้าอนาตตาใช่ค่ะอ่มันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆยมก็แบบเริ่มโปร่งๆเหมือนที่พระจารย์บอกว่าถ้าเราฝันเหมือนที่คนคนก่อนหน้าที่เขาบอกว่าถ้าเราฝันแสดงว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบนั้นจริงๆกับเราแล้ว เหมือนเราอาจจะทำเหมือนในฝันยม่คิดเอ๊ะถ้าเราฝันว่าเราตายแล้วเราทำอะไรบ้างนะในฝันอะไรอย่างเียยก็จะพยายามแบบแบบน้องนโมค่ะว่าแบบเออมองให้มันเป็นอุจปาสุภาพมากขึ้นนะคะ <Okay. S 1> ค่ะค่ะขอให้พระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะครับทุา่าค่ะขอบคุณค่ะเป็นคนอะไรอะเอ็นเอมาเอเชนิสาเช ถามนมาสรรการค่ะพระอาจารย์มันยังไงวันนี้ไม่มีคําถามค่ะมีคำตอบตัวไหนมี <c oughs> มีคําตอบค่ะก็คือจะต้องจะต้อง <c oughs> จะต้องฝึกสติให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าช่วงอาทิตย์นี้หลุดบ่อยมากค่ะเพราะว่าลูกเขาแบบอารมณ์ฮอร์โมนเขาพุ่งพลานเราก็พุ่งพลาดเนาะ <c oughs> <c oughs> มันหลุดบ่อยเลยค่ะแต่วันนี้เ <Okay. S 2> มื่อคืน เมือม่อเมือ่อเมื่อก่อนนอนนี้ค่ะอย่างแบบเกือบจะหลุดไปแล้วค่ะเขาเอาดินจากต้นไม้ออกมาลักมากกอกใส่เครื่องกองอากาศนะครับอาจ<ม> <laughs> าออกมาเห็นเขาบอกโอ้โหปี๊ดไปแป๊บหนึ่งแล้วก็โอคิดได้คิดได้สติสติแล้วก็ค่อยค่อยค่อยค่อยแบบดาวลงแล้วก็เออช่างมันมันมั น, ม, นมันพังไปล้วเครื่องพังก็ไม่เป็นไรคนอย่าพังแล้วกันนี่โอเค ก็ต้องไปเรื่อยๆนะองะงับสติค่ะอาจารย์กราบค่ะกราบคุณใจ้แรนิด้นิดคุณหน่อยกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะเป็นยังไงสันโดษหรือยังน่าสันโดษไหมยังสันโดษเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้ะค่ ะ, ะมีคําถามคําถามหนึ่งเจ้าค่ะพอดี อ่าที่หน่อยบอกว่ามันมันมองเห็นตัวเองอ่ะเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็เลยลองแบบมองเห็นตัวเองแต่ว่าลองก็เลยเลงเข้าไปอีกว่าตัวเองกำลังนั่งสมาธิหรือว่าแม้แม้กระทั่งนอนอยู่แล้วก็ให้เข้าไปดูลมหายใจที่ตัวเองหายใจอยู่ก็คืออยู่กับความว่างถูกไหมเจ้าคะก็ยังนะก็ยังถ้ายังมีลมหายใจอยู่ก็ยังไม่ว่าต้องไม่มีอะไรเลยว่า อต้องไม่สังเกตรูปร่างลักษณะที่เราอย่างเช่นจมูกหรือแม่ก็อยู่บนริมฝีปากนี้ต้องไม่สังเกตใช่ไหมเจ้าค่ะก็ให้รู้เฉยๆให้รู้ลมที่สัมผัสที่ปลายจมูกเข้ า, ออานั้นเองไม่ไมสํารวจ<ป>ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องสารวจไม่ต้องไปในภาพอนะไรนให้ดูที่ความรู้สึกที่ของลมมาสัมผัสกับปลายจมูกแล้วให้อยู่กับตรงจุดนั้นจุดเดียวไปเรื่อยๆ เป็นบาใจสงบแล้วอย่างมันก็จะหายไปหมแล้วเราพอดีถ้ามันหายแล้วมันก็ยังหายรู้ตัวเดียวเหายรู้ตัวเดียวใช่ค่ะหายมันแต่มันก็แวบเดียวจริงนะเจ้าค่ะเอใหม่ๆก็แครเพียงแป๊บเดียวแต่เคไปเรื่อยๆมันก็จะมันก็จะอยู่นานอยู่ในความว่างในดนานขึ้นเจ้าค่ะก็คือว่าก็พได้มากมากเสพ้มากเป็น เจ้าค่ะมีมีแค่นี้เจ้าค่ะโอเคสาธุยังสุดสันโดษอยู่นะร่ำร้อยสันโดษเจ้าค่ะก็กินกินเรื่อยอยู่นะเจ้าค่ะอ่ะอาอ่าถ้าที่จะเป็นกินถ้าที่จะเป็นถ้าเป็นจะเปก็อยากกินมันอือตอนแรกเหมือนว่าพอกินตอนตอนแรกๆอดได้พอหลงังๆมาเหมือนเริ่มหิวเหมือนกิเล็ดมันมันมันย้อนนะเจ้าค่ะอืม แล้วก็อย่าไปซื้อของไม่ฟุ่มเฟือยมากเกินไปนของมันจําเป็นอย่าไปซื้อะไหนไม่ให้ซื้อจะขาดเพราะมีคนซื้อให้จะ <c oughs> ไม่บอกก็ซื้อถ้าก็ถ้าก็ซื้อมาเองด้วยเสน่หาก็โอเคอย่จไม่บอกเ่าให้ก็ซื้อแทนเอาให้มันซีถนนชัย <c oughs> ไม่ไม่ได้บอกให้ซื้อค่ะแตที่จริงไหนให้ซื้อเฉพาะที่แบบมันจําเป็นที่ต้องใช้แล้วก็ราคา <c oughs> ไม่แพงมากโอเคดีเจ้าค่ะ โอเคนะถามไปที่คุณหาตอคุณหาเฟซบุกมีทั้งหมดสามคำถามจากทาง a ฟ e บุ o กเจ้าค่ะคำถามแรกจากคุณเบบี้คิดกราบขอคารวะในธรรมเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามว่าไหวบรรพบุรุษแล้วกินของเส้นไหวได้ไหมถ้าเราปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะได้มันไม่บุดไม่ใช่ลมันไม่บุญไม่เสียอะไรไม่กินได้ คำถามต่อไปจากคุณรุ่งโรดคนพิการทางนิ้วโป้งจะสามารถทําสมาธิปฏิบัติทําได้ไหมครับหลวงพ่ออ๋อได้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องร่างกายคือมัเกี่ยวกับเรื่องเรามีสติหรือเปล่าถ้าเรามีสติอยู่เราพุทโธรรรรรพุทโธรรรไปเรื่อยๆได้แล้วก็นั่งสมาธิได้คําถามสุดท้ายจากคุณยัสสิ์ขอกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับการภาวนาคืออย่างไรครับ คือการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งแล้วพอออกจากสมาธิมาคิดสอนตัวเองคิดนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาว่ามันไม่เที่ยงแล้วถ้ายังปร่งไม่ได้ก็พยายามหาอุบายมาคิดสอนใจตัวเองอยู่บ่อยๆแบบนี้ถือว่าเป็นการภาวนาไหมครับถูกทางไหมครับเป็นแบบยังไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ ถ้าเรายังพิจารณาแล้วปรงไม่ได้เแสดงว่าสมาธิไปยังน้อยแลาต้องทาสมาธิให้มากมนแล้วก็แบบพิจารณาไปต้องทําสมาธิให้มากมไม่ใช่ได้ครั้งเดียวแล้วก็มาพิจารณาเลยพยายามฝึกสมาธิให้มากๆก่อนให้มีกาลังของความสงบให้มากก่อนแล้วต่อไปเวลาเราพิจารณาเยราก็จะปรงได้โอเคท่านวั้วใช้คําถามมีมีพึ่ง เข้ามาอีกหนึ่งคำถามค่ะจากคุณพันธิวาที่พระอาจารย์บอกว่าอยู่แบบไม่มีอะไรดีที่สุดหมายความว่าอย่างไรครับก็ไม่มีอะไรก็อยู่กับความว่าไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่มีอะไรอยู่แบบพระเนี่ยอยู่แบบพระเจ้ามีแค่อัฐิทางบริการสมบัติแปดชิ้นพอมีอะไรมันจะต้องทุกขกับสิ่งที่มีต้องคอยดูแลรักษา แต่เวลามันหมดไปก็เศ้าสกเสียใจแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราต้องอยู่แลรักษาเศร้าโศกเสียใจ ม, ม, มีเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณอนองนาตฟังพระอาจารย์ทุกวันค่ะแต่นั่งสมาธิไม่เป็นเจ้าค่ะก็ฝึกสติเปน็นการครับท่องพุโทโธพุทโธ เอป็นชีวิตประจำวันเมินตาขึ้นมาก็าพูดโทรพูดโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่ อ, อ, อยๆนอกจากว่าถ้ามีเรื่องจําเป็นจะต้องคิดก็หยุดพูดโธรแล้วก็คิดเรื่องที่จำเป็นพอเสร็จก็หยุดความคิดนั้นแล้วก็กลับมาพูดโทรพูดโทรตร่อแล้วต่อไปเวลานั่งสมาธิก็นั่งนั่งหลับตาแล้วก็พูดโทรพูดโธรไปโยงใจสงบได้โอเคถ้า <c oughs> วันนี้หมด ค, คาถามก็หมดนะ ต่อไปนี้ก็จะไม่ไม่ต่อต่อเวลาไม่มีรอกสองเวลามันก็เดึกพอสมควรทีไ่ได้มีเวลาพักผ่อนหลับนอนตอนเช้ายังได้ตื่นบินสบาลได้นะเราจะคิดว่าพอสมควรกับเวลาก็ขอให้ท่านตรงนำเราสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ